ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านวันนี้มาสนทนาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันต่อในเรื่องของพรหมวิหารสู่สังขาวัตถุแล้วก็ปฏิบัติการออกมาสู่การประพฤติปฏิบัติในตัวกุศลศีลเป็นต้นสรุปก็คืออย่างนี้ว่าพรหมวิหารธรรมเนี่ยเป็นธรรมะอันประเสริฐซึ่งเป็นคุณธรรมฝ่ายที่ ด้านที่จะต้องเอามาประชุมไว้ในกระแสของความคิดเป็นธรรมะที่อยู่ในอุดมคติสามารถแสดงออกมาโดยการแผ่เมตตากรุณามุทิตาและเวขาเป็นต้นมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นังที่ได้กล่าวไว้แล้วทีนี้กระแสของพรหมวิหารธรรมเนี่ยมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยย่อมส่งผลให้ผู้บําเพ็ญเนี่ยหรือผู้ที่ฝึกทําจิตให้เมตตานั้นเนี่ย มีใจปรารถนาดีต่อสัตว์ต่างๆทุกบุคคลเนาะซึ่งสภาพจิตนั้นเมื่อมีเมตตาจิตเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็จะมีสภาพจิตที่เป็นไปกับเมตตาก็คือเบิกบานแจม่มใสไม่หงุดหงิดง่ายไม่โกรธง่ายเพราะว่าเมตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็จะสามารถระงับความโกรธความหงุดหงิดความเครียดได้ ทีนี้ในขณะเดียวกันก็คือว่าเมื่อเราได้อยู่กับใครหรือเกิดท่านผู้ใดเนี่ยสภาพของความวิหารธรรมที่แผ่ออกไปจากใจเราเนี่ยผ่านออกมาทางด้านพฤติกรรมคําพูดและการกระทําทั้งหลายเนี่ยพลังของเมตตาจิตเนี่ยก็แผ่ออกมาบุคคลที่อยู่ด้วยก็จะรับรู้ได้เนะาะดันั้นความวิหารธรรมเนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติ ยังแสดงออกมาให้รับรู้ให้รับทราบโดยธรรมะอวดอื่นอื่นอีกด้วยเช่นในด้านของเบญจศีลเบญจธรรมถ้าเบญจศีลก็หมายถึงศีลห้าเนาะเนี่ยเมื่อเมตตาอยู่ที่ใจแล้วก็จะแสดงออกมาในการที่ประพฤติปฏิบัติในศีลคือการงดเว้นจากการฆ่าเป็นต้นเหล่านี้แล้วยังผ่านเข้าสู่สังคาวัตุสี่คือทานปิยะวาจาอัตจริยาสมานตตา และยังผักดันในทิศ ท, ทั้ง6กเป็นต้นน่ยกล่าวคือพรหมวิหารที่อยู่ในใจของผู้ที่บาเพ็ญก็ส่งผลทางด้านการกระทาให้เป็นผู้มีศีลเช่นศีลห้าเป็นต้นและก็ให้เป็นผู้บาเพ็ญธรร ม, มะมีเมตตากรุณาเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นแสดงออกมาการให้ทานให้วัตถุสิ่งของแสดงออกมาทางด้านคำพูดทางด้านการประพฤติประโยชน์ ด้ยเมตตากรุณามุติตานี่เป็นต้นแล้วก็แสดงออกมาในเรื่องการการปฏิบัติตนเองให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่เป็นต้นแล้วหลักการภาคปฏิบัติการอีกอย่างหนึ่งก็คือการปฏิบัติต่อคนที่เรียกว่าเป็นทั้งทิศทั้งหกที่ได้กล่าวไว้แล้วทีนี้สรุปตรงนี้ให้ฟังอีกนิดหนึ่งก็คือว่าครั้งก่อนได้พูดถึงในเรื่องของพรหมวิหารเนี่ย ที่ผักออกมาเป็นศีล5้าเป็นสังขาวัตถุเป็นภาคปฏิบัติการของพระมวิหารนั้นเนี่ยสามารถอธิบายได้ชัดเจนก็คือว่าถ้าเรามองถึงในด้านของตัวสัมมาสังกปะายมยังพอจำได้เนาะสัมมาสังกปะก็คือความดำริชอบเนี่ยเป็นความดำริที่เป็นเนคขมมะดำริออกจากกามแล้วก็เชื่อมโยงสู่อุเบกขาแล้วก็ ผักไปเป็นสมาณา ต, ตาที่เว้นจากกาเมสุมิชาจา์เป็นต้นสมาสังกปะความดำริชอบในเรื่องของอภยาปาทะสังกปะก็คือความไม่พยาบาทไม่พยาบาทคืออะไรไม่พยาบาทก็คือเมตตาการุณาแล้วก็กินความไปถึงมุทิตาเพราะเอาวิหิงสาเอาวิหิงสาสังกปะก็คือกรุณาเชื่อมไปถึงตัวมุทิตาอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนั้นเชีย่ยเห็นว่า ในหลักการของการที่เมื่อมีเมตตากรุณาุมตตาและอเบคขาแล้วเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนออกมาเป็นศีลได้เป็นศีลคืออย่างไรถามว่าในพรหมวิหารสีเมตตากรุณาุมตตาและเบกขาแล้วก็ขับเคลื่อนออกมาเป็นตัวทำให้มีศีลห้าแล้วก็สังองวาวตถุสีเป็นภาคปฏิบัติการของพรหมวิหารนั้น สามารถที่จะอธิบายให้เห็นชัดเจนก็คือโดยมีสัมมาสังกปะเนี่ยเป็นต้นกระบวนรธรรมะก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งนะศีลข้อที่หนึ่งคือกลุ่มปานาดีบาศีลข้อที่สองก็กลุ่มอาทินาทานเนาะศีลข้อที่อะไรนะมุสาวาสนี่เป็นข้อที่สี่ ข้อที่สสุลาก็อยู่ข้อเว้นจากสุลามีอะไรก็ข้อที่5ใช่ไหมถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่าโอ้เนี่ยส่วนสังขวัตถุเราก็เห็นชัดก็คือว่าการให้ทานคือการให้ปิยาวาจาคือกา ร, รการกล่าววาจาอ่อนหวานแล้วก็อัตชจริยาการประพฤติประโยชน์ทีนี้ถามว่าการที่ ประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นกุศลและศีลได้ก็ดีการประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นสังหาวัตถุได้ก็ดีเนี่ยพื้นฐานมาจากอะไรพื้นฐานที่มาจากจิตที่เป็นไปกับเมตตากรุณาและมุทิตาเป็นต้นเมตตากรุณาส่วนมุทิตาเนี่ยเกิดขึ้นตามหลังเมตตาและกรุณานะจึงถือว่ารวมอยู่ในส่วนที่เมตตาและกรุณาด้วยถ้าศีลข้อที่สและสังขาวัตถุสี่นะ ในสีลข้อที่3คือเว้นจากกาเมสุมิฉาจารสังฆาวัตถุข้อที่4ก็คือสมานนตตาอันนั้นน่ะถูกผักออกมาจากอุเบข า, าเพราะอเบขานี่เป็นเครื่องสลัดออกจากราคะคือความกำหนัดทําให้เป็นผู้วางตนเสมอต้นเสมอปลายก็คือเที่ยงตรงอยู่ในธรรมะฉะนั้นตัวเนคขมะเนี่ยสังกับปะความดําริออกจากกามดําริออกจาก สีเสียงกิ่นรถโพทพ้าทั้งหลายเหล่านี้ใจที่เป็นไปกับวางใจเป็นกลางเนี่ยเป็นการเว้นจากกาเมสุมิชาจาร์ถ้าการปฏิบัติออกมาก็เป็นสมานัตตาเป็นต้นส่วนสีนข้อที่หถือว่าเป็นอบายมุกอย่างหนึ่งนะสีนข้อที่ห้าไม่เป็นกรรมบดแต่เป็นอบายมุกเป็นข้อเป็นข้อฝึกที่ควรงดเว้นเพราะว่าเป็นข้อที่สาคัญ ไอตัวการดื่มของมึนเมาหรือเอาของมึนเมาใส่ในกระแสชีวิตเนี่ยเพราะเป็นการประทศส้ายสติสัมปชัญญะของตนเองมนุษย์เราก็ดีหมู่สัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไปทำลายสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยมันสามารถทำกรรมช่วได้ข้ออื่นได้หมดเล ย, เนยในสังคมโลกในปัจจุบันเนี่ยโดยมากเราไม่ค่อยเห็นโทษกันไม่ค่อยเห็นโทษของความมึนเมา ว่าไอตัวมึนเมาเนี่สสำคัญที่สุดเพราะเราไปทำลายเลยทำลายตัวสติสัมปชัญญะถ้าพูดทางด้านของด้านวิชาการทางด้านการแพทย์ของมึนเมาจะไปทำลายสมองส่วนหน้าก็ยงนีสมองส่วนหน้าเนี่ยเป็นสมองรับรู้ทางด้านของคิดพิจารณาด้านเหตุและผลเพราะของมึนเมาไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเหล้าสุรายาเมาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นหรือยาเสพติด พอดื่มหรือ ก, กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยทำให้ไปทําลายสมองส่วนหน้าในด้านของเหตุและผลงนั้นผู้ติดอยู่อใบาามุกเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสื่อมนก็โดยเฉพาะก็คือเสื่อมจากคุณธรรมด้วยอันดีงามทั้งหลายนั่นก็คือเสื่อมจากพรหมวิหารธรรมเนาะในขณะที่อใบาามุกคือสุรายาเมาเข้าไปสู่กระแสชีวิตแล้วเนี่ยคุณธรรมคือเมตตาคือความรักปรารถนาดีเอื้อทอน คุณธรรมคือกรุณาความคิดสงสารจะช่วยพ้นทุกข์คุณธรรมคือมุทิตาพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นประสบความสมําเร็จคุณธรรมคือเวขาการที่จะรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามก็จะพลอยเสื่อมไปด้วยลักษณะอย่างนี้แหะคือเป็นปัญหาชีวิตมากเล ย, เยทีนี้เอาดูหน่อยเนาะก่อนที่จะเข้าไปขับเคลื่อนกันอีกที่หนึ่งก็คือดูพระมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาเวขาเนี่ยจัดเป็นอะไรในองค์มรรค ยยมพอจนึกออกไหมจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปาสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสมาสติหรือสมาสมาธิใช่ไหมจริงๆก็คือสามารถที่จะจัดลงในองค์มรรคได้ในองค์ไหนองค์มรรคก็คือจัดในองค์มรรคแดในข้อที่สองคือสัมมาสังกปะให้สังเกตด้วยนะเนคขมัสสังกปะใช่ไหผักให้อุเบกขาเกิดขึ้น อพยาปาทสังคปะเนี่ยผักให้ตัวเมตตากรุณาอย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นหรือเมตตามุฒิตาเนี่ยส่วนเอาวิงสาสังฆปะก็คือผักกรุณาเป็นต้นใ้เกิดขึ้นที่จริงจัดให้ตรงนี้ก็ได้นะจัดเป็นตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าจัดตัวตัวสมาธิหรือตัวจุดหลักๆเขาจริงๆก็คือจัดอยู่ในตัวคุณธรรมประเภทจิตสิกขาจิตสิกขาเพราะเป็นหนึ่งในกรรมฐาน40 เป็นอัปมัญญาเป็นพรหมวิหารอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ก็จะได้เห็นว่านูนแล้วถ้าจัดเป็นจิตสิกขาก็ไปอยู่ในกลุ่มสมาธิกลุ่มสมาธิสิกขาก็คือกลุ่มสัมมาสมาธินู่นแหละแต่ให้สังเกตดูนะว่าพรหมวิหารจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสัมมาสังกปะที่ถูกต้องถ้าไม่คิดออกจากกาไม่คิดออกจากพยาบาทไม่คิดออกจากการเบียดเบียนเนี่ยแล้วเนี่ยกลุ่มพรหมวิหารธรรมจะไม่สามารถประชุมในกระแสะของความคิดได้ คุณธรรมในหลักธรรมอื่นที่จะมารองรับเนี่ยทำหน้าที่บทบาทต่อพระมวิหารธรรมก็คือก่อให้เกิดการแสดงออกต่อสังคมก็คือสังหาวัตถุทั้งที่ได้กล่าวแล้วซึ่งจัดอยู่ในมรรคข้อที่สมนะมรรคข้อที่สมก็กลุ่มสัมมาวาจาและก็ข้อที่สี่ก็คือสัมมากรรมันตะหรือถ้าผักออกไปเกี่ยวกับในเรื่องของการประพฤติคือการเลี้ยงชีพก็น้นละไปถึงโน้นเลยลการเลี้ยงชีพนน้นเป็นต้นเห็นไหม ฉะนั้นกรณีเหล่านี้กลุ่มสภาวธรรมสรุปก็คือว่าการฝึกอบรมพรมวิหารเป็นการฝึกอบรมสมาธิและการฝึกอบรมสมาธินำไปสู่ปัญญาคือการรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ี่จึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญมากบุคคลที่จะสามารถทำสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดํมเลิติที่ถูกต้องเป็นต้นให้เกิดขึ้นมาได้ ถ้าไม่มีสมาธิศิกขาเป็นฐานรองรับแล้วเนี่ยยากเหลือเกินที่จะทำให้การเข้าไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมทั้ง4สรุปที่ต้องการพูดตรงนี้ให้โยมทั้งหลายได้เข้าใจก็คือว่าให้โยมได้เกิดความเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณธรรมเนี่ยในลักษณะของการที่ว่าพระวิหารธร ร, รรมเป็นธรรมอันประเสริฐเป็นคุณธรรมฝ่ายดีที่ฝังตัวอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผู้บาเพ็ญเอง เป็นธรรมะที่อยู่ในอุดมคติสามารถแสดงออกโดยความแผ่เมตตาก็คือความปรารถนาดีเป็นต้นออกมาให้ผู้อื่นกระแสะของพรหมวิหารธรรมเนี่ยมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยย่อมส่งผลให้ผู้บำเพ็ญเองมีจิตใจที่สงบสว่างสะอาดนะใครทําได้จิตใจก็แฉมแจมใสใครทําได้จิตใจก็โปรดตรด่โรงโรง่งเบาใครทําได้ก็สามารถสงบระ ง, งับความหงุดหงิดความไม่กโกรธแล้วก็ความฟุ้งซ่านลาคาญใจทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากกระแส ได้เป็นต้นเหล่านี้หลักธรรมพรมิหารเนี่ยเป็นหลักธรรมระดับพื้นฐานด้วยที่สำคัญด้วยนะซึ่งทุกคนควรทำให้มีเกิดขึ้นทางด้านจิตใจของตนก่อนเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นและก็ผักออกมาเป็นการที่จะแสดงออกต่อสังคมสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเอาละต่นี้กลับมาสู่การเชื่อมโยงในครั้งก่อนเนาะ ในครั้งก่อนวันที่แล้วเนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของการที่ว่าเมื่อเดินพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาแล้วเนี่ยผลักออกมาเป็นทานคือการให้การช่วยเหลือซึ่งการและการปรยาวาจาการพูดวาจาอ่อนหวานภาสานสามาคัคคีถูกการเทศะอัตจริยาก็คือการประพฤติประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์เป็นต้นเหล่านี้แล้วก็อัตจริสมาณะตาก็คือการมีตนเสมอต้นเสม อ, สมอปลายมีจุดหมายร่วมกัน ร, ร่วมสุขร่วมทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ ทีนี้การที่เราจะปฏิบัติอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เราจะปฏิบัติต่อการที่จะเข้าสู่สภาพสังคมทั้งหลายเหล่านี้บุคคลนั้นก็ต้องสามารถรักอคติได้ถ้าเราดูในคุณธรรมในทิศทั้งหกเนี่ยจะเห็นได้ชัดบุคคลที่จะสามารถนะสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม จะต้องเอาอาคติเนี่ยออกจากใจทีนี้คนที่จะเอาอาคติออกจากใจได้คนคนนั้นก็ต้องมีความฌานฉลาดในการบรําเพ็ญผลวิหารเมตตากรุณามุทิตาเวกขาฉะนั้นคนที่มีฉันทากติเนี่ยราเอียงพารักเนี่ยอันนี้คือโลภะตัวราคา ม, มีราคาเนี่ยเด่นทําอะไรก็คือจะรำเอียงพรักถ้าชอบใครรักใครแล้วก็อาทมเทสุดฤทธิ์เนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มฉันทากติ กลุ่มโทสา ก, กติก็คือลำเอียงพ่อชังโทสะก็คือโทสะตัวนี้ก็กลุ่มโทสะโกรธนั่นเองหงุดหงิดโกรธอันนี้ถ้าโกรธใครไม่พอใจใครแล้วก็เครียดแค้นชิงชังก็ปฏิบัติการโดยอย่างที่เราเห็นกันโมหะกติโมหะก ต, ติลำเอียงพ่อหลงกลุ่มนี้ไม่พิจารณาไม่แยกแยะไม่เอาเหตุผลไม่พิจารณาเหตุผลตามความเป็นจริงเป็นต้นประการที่4ี่ก็เรียกพยาคติลำเอียงพ่อกลัวรู้ไหมกลัวเนี่ย กลัวกับโทสะเนี like? ism, exactly? anyway, abuse, no you know ่ยต่างกันตรงไหนยอมรู้ไหมลองโทสะกับกลัวต่างกันตรงไหนพี่เห็นไหมฉะนั้นตัวพยาคตินี่คือความกลัวเนี่ยจริงๆก็มาจากโทสะนั่นแหละกลัวเสียชื่อกลัวเสียหน้ากลัวอะเยอะแยะหมดนะกลัวคนอื่นเขาจะรู้กลัวคนอื่นเขาจะโกรธกลัวคนอื่นเขาจะไม่ชอบเนี่ยมันเกิดความกลัวขึ้นมาเบียดเสร็จก็ลําเอียงนะ อย่างคนบางคนเนี่ยจะไปบริจาคทานเนี่ยโอ้มีชื่อเสียงหน่อยเพราะโอ้กลัวว่าชื่อเราถ้าหากว่านามชื่อนี้นามสกุลนี้ถ้าบริจากร้อยบาทไม่ให้ดูกลัวเสียชื่อเช่นนี้เป็นต้นหรือบางทีเป็นลูกน้องเเป็นเจ้านายเงเนี้นานายลูกน้องบริจาคห้าร้อยเจ้านายจะบริจาคสองร้อยโอ้ดูน่าเกลียดกลัวอย่างนี้เป็นต้นลักษณะของอคติเนี่ยใครถ้ายังมีอคติอยู่ในใจบ่งบอกได้เลยว่า คนคนนั้นเดินพลมวิหารแล้วทำไม่เป็นหรือเดินไม่ครบชุดโดยเฉพาะขาดอุเบกขาชัดเลยจริงๆตัวฉันทาคตินี่ก็เห็นได้ชัดแล้วก็ขาดอุเบกขาตรงไหนรู้ไหมคนที่มีความรักลำเอียงเนี่ยเพราะว่าเป็นเมตตาเทียมเมื่อเป็นเมตตาเทียมแล้วเนี่ยก็จะเป็นความรักที่มีลำเอียงพรรักเพราะไม่มีตัวอุเบกขามาดุลไว้มาปรับ ไม่มีตัวปัญญามาคอยดุลมาคอยวิจัยแยกแยะก็เลยไม่สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่เมตตาที่แท้ได้ก็เลยลำเอียงนยีส่วนคนที่มีโทสาคตินี่ชัดเลยเพราะขาดเมตตาชัดเลยขาดเมตตาขาดเมตตาไม่สามารถจะทำเมตตาเป็นต้นให้เกิดขึ้นมาได้ส่วนคนที่มีโมหาคติเนี่ยชัดเลยขาดเวขาก็ลเ <g ül> พราะการไม่แยกแยะไม่พิจารณาก็คือขาดปัญญาน่แหละ พคติก็ลำเอียงเพราะกลัวนี่ก็เหมือนกันขาดโทสะด้วยแล้วก็ขาดตัวปัญญาเป็นต้นด้วยนะีอย่างนี้สรุปก็คือว่าท่านทั้งหลายที่เจริญพรมวิหารได้ชัดก็สามารถขจัดอคติเนี่ยออกจากใจได้เมื่ออคติออกจากใจได้เนี่ยอะไรเด่นตัวเนี้ยปัญญาเด่นพอปัญญาเด่นขึ้นมาก็สามารถปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้งหลายได้อย่างถูกต้องก็คือปฏิบัติต่อบุคคลที่สัมพันธ์กับตนได้ถูกต้องตามฐานะทั้ง6 ทิศที่หนึ่งดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือฐานะที่เป็นบุตรทิดาก็พึงปฏิบัติต่อมาดาบิดาผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหน้าเพราะว่ามาก่อนก็คือท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบเยช่วยทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้นนี้ได้กล่าวไปแล้วส่วนบิดาก็ประพฤติปฏิบัติต่อบุตรตามหลักปฏิบัติก็คือห้ามปรามป้องกันไม่ให้ทําความชั่ว แล้วก็ฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีนี่สําคัญมากนะฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปวิทยาให้ชัดนี่สาคัญมากดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าไม่ใช่ศึกษาศิลปะวิทยาเฉพาะสิ่งที่ลูกชอบหรือตัวเองชอบแต่ศิลปะวิทยาที่ควรรู้ควรเข้าใจเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับชีวิตทั้งหลายนี้ต้องรู้แล้วก็เป็นทุระเมื่อถึงคราวมีครูครองที่สมควรนี้ได้กล่าวไปแล้วว่า พ่อแม่นั้นต้องชาญฉลาดในการที่จะแยกแยะว่าบุคคลที่มีราคาจริตเป็นยังไงโทสะจริตเป็นยังไงโมหจริตวิตกจริตศรัทธาพุท ธ, ธิเ น, นี่ยก็คืออ่านคนออกรู้จักคนเนี่ยแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือมอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึงโอกาสอันควอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยหลักการตรงนี้ได้บอกไปแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็พูดถึงในทิศ ท, ที่2ด้วยในฐานะที่เป็นสิทธ ก็พึงแสดงความเคารพนับถือครูอาจารย์ผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวาเนี่ยลุกขึ้นต้อนรับแสดงความเคารพอย่างไรเมื่อเจอเห็นครูอาจารย์มางี่เป็นต้นเข้าไปบำรุงรับใช้ปรึกษาซักถามรับคําแนะนําเป็นต้นอย่างไรเนี่ ย, ยแล้วก็ฟังด้วยดีเป็นต้นรู้จักฟังให้เกิดปัญญา คำวฟังได้ดีฟังให้เกิดปัญญาเป็นต้นก็คือเป็นคนที่ไปเอาปัญญานีไม่ใช่ไปเอาความรู้สึกโดยมากเราไปหาครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเราไม่ขับเน้นที่ปัญญาเพราะปัญญาเป็นยอดปัญญาสูงสุดเรียกว่าปัญญุตราสเพธรรมะธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นยอดใช่ไหมมีปัญญาสูงสุดไม่ว่าปัญญาทางโลกหรือทางธรรมทั้งหลายสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องค้นขวายเกิดปัญญาเกิดความรู้ให้จริงรู้ให้ชัดรู้ใหรอบรู้ให้ลึกแล ปณิบัติก็คือช่วยบริการเรียนศิลปวิทยาด้วยความเคารพเอาจริงเอาจังถือเป็นกิจสําคัญด้วยเงี้ยเป็นต้นแล้วอาจารย์แหะที่สิทธิปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ต้องต้องปฏิบัติต่ อ, อยังไงก็คือแนะนําฝึกอบรมให้เป็นคนดีอันนี้แนะนําเหมือนกันอาจารย์ต้องรับช่วงจากพ่อแม่เหมือนกันก็คือแยกแยะอะไรเป็นความดีแล้วก็สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งคือหลักการดังที่ได้กล่าวไปแล้วที่เรียกกรยานามิตร กัลยาณมิตรจาได้ไหมเจ็ดประการปิโยครุภาวนิโยวัตตาเจาวัจนะขมโมคัมภีรันจักถังกัตาโนจัตถาเนนิโยชยเยเนี่ยปิโยเป็นผู้น่ารัก <c oughs> นั่นคือคุณสมบัติของความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นอาจารย์อันนี้ยอมไปตรวจสอบได้นะที่ต้องการอยากจะหาอาจารย์หาครูโดยมากปัจจุบันนี้โดยมากเราจะไม่ค่อยไปหาครูที่เราจะเอ็กโคคนไหนสอนดีสอนเก่งก็จะไปที่ตรงนั้น ไอเรื่องน่ารักที่ไปประกอบไปด้วยมีศีลเนี่ยมีศีลมีกัลยาณธรรมนะคนถึงจะน่ารักได้ใช่ไหมเระเราดูทั้งเจทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งหลายเป็นผู้น่ารักเนี่ยเพราะเพราะเป็นประกอบด้วยศีล น, น่าเคารพครูศัพท์นั้นก็แปลว่าอะไรเนี่ยคืออยู่ใกล้แล้วมีความสุขเคารพเนี่ยเป็นผู้หนักแน่นอาจารย์เนี่ยเป็นคนหนักแน่นอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยเป็นต้นดังที่ได้กล่าไวไปแล้วพ่อแม่ก็เป็นครูเป็นครูกับบุตร ทิดาได้เนะียพ่อแม่เนี่ยพี่ก็ได้ปู่ตายายายก็ได้ถ้าเข้าไปอยู่ใกล้แล้วอบอุ่นโอโ้ลูกอบอุ่นเหลือเกิเนี่ยถ้าไปอยู่ใกล้รู้สึกแหมต้องร ะ, ระวัลระวังตลอดเวลาจะแทงเราเมื่อไหร่จะทิมเราเมื่อไหร่จะพูดเสียดสีเราเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้ก็อึดอัดต้องระวังนะครูอาจารย์เนี่ยลูกศิษย์เข้าไปหาทั้งหลายเลยที่ต้องเป็นผู้น่าเคารพภาวนียกก็คือหน้ายกย่องหน้าเจริญใจสับนินมาจากอะไรเนี่ยพ่อมีพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยเจริญ เพรนบุคคลที่พัฒนาตนเองตลอดเวลาทั้งด้านพฤติกรรมก็มีหยุดนิ่งทั้งด้านจิตใจทั้งคุณภาพสมรรถภาพความสุขโอโหพัฒนาทั้งด้านปัญญาก็รู้รอบรู้ชัดรู้ทั่วรู้ลึกเนี่ยฝึกฝนพัฒนาตลอดเวลาเนี่ยคนประเภทนี้ไปอยู่ใกล้แล้วก็เป็นแรงดึงดูดนะทำให้ลูกศิษย์ก็โอ้โหนิ่งนอนใจไม่ได้ก็ฝึกฝนพฤติกรรมจิตใจและปัญญาน่ายกย่องวัดตาจ่าเนี่ยรู้จักชี้แจงให้เข้าใจสับนิวัตตาเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ว่ากล่าวเนี่ย เป็นผู้ว่ากล่าวก็คือฉลาดไม่ใช่ว่ากล่าวอย่างเดียวนะจริงๆแล้วก็คือสามารถที่บอกว่าเป็นคนที่มีความชาญฉลาดชาญฉลาดในการที่จะชี้แจงเช่นว่าสิทธิเกิดความกำหนัดเนี่ยยินดีเพื่อเพลนเนี่ยพูดให้เขาคลายกำหนัดยินดีเพืเพ่อเผลนได้ถ้าเขาเกิดขัดเคืองงุดหงิดฟุ้งซ่านพูดให้เขาหายขัดเคืองได้ ฉลาดเงี้ยฉลาดในการว่ากล่าวชี้แจงแล้วก็ถ้าเขาเกิดโอดหดูยท้อถอยพูดเลยเขามีกําลังใจได้พูดปลอบจิตเขายกจิตขึ้นมาได้นะถ้าเขาฟุ้งซ่านําคาญใจพูดเลยเขาสงบได้ถ้าเขารังเลรังเลสงสัยพูดเลยเขาคลายความรังเลสงสัยและไม่ใช่แค่นั้นเนะนี่ยลักษณะก็คือว่าเป็นผู้รู้จักชี้แจง ชี้แจงให้เกิดความให้เกิดความเข้าใจได้วว่าจะนัขโมก็ อ, อดทนต่อท้ายคำนี้หมายความว่ายอมรับคําติเตียนได้ด้วยจะ ว, จะว่าจะว่าจะดา่าจะอะไรยอมรับคําติเตียนด้วยยอมรับพฤติกรรมด้วยบางทีลูกศิษย์ก็มีพฤติกรรมเงี้เงามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรคนที่เป็นอาจารย์ก็ต้องมีไอ้อดทนโดยนี้แหละ ย, ยอมรับได้โดยปัญญาบางทีก็ลูกศิษย์บางคนก็เป็นคนปากเปราะก็มีนะชอบ ที่มัชอบแทงชอบด่าว่าอาจารย์ชอบวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมีลักษณะเนี้ยคนที่เป็นอาจารย์ก็ต้องทนทนไม่ใช่ทนแบบเจ็บใจหรือทนแบบมีพรหมวิหารธรรมเพราะมีเมตตากรุณามุมตตาเบกขาก็เลยยอมรับได้ทนได้อดทนได้มีคุณภาพสมถภาพและความสุขคำเพีรัญจากกระถังกัตตาสัน์นี้ก็แปลว่าแถรเรื่องยากง่ายแต่ก็คือว่าฉลาดอธิบายเรื่องที่ลึก ละเอียดให้ง่ายได้ยาวให้สั้นได้แล้วก็สรุปประเด็นได้มีจิตใจฝักฝ่ายอยู่ตลอดเวลาว่าทําเช่นไหนเนาะจะทําให้เศษเนี่ยเข้าใจได้โดยไม่ยากหาวิธีการทุกวิถีทางที่พยายามจะอธิบายให้ง่ายให้ชัดแล้วเข้าใจได้นำมาเป็นพืชปฏิบัติได้ให้เกิดความขาจัดความลังเลสงสัยความกังขา ข้อติดขัดทั้งหลายปมเล็กๆน้อยๆทั้งหลายไม่ให้มีติดค้างในใจเลยอธิบายละเอียดละ อ, อชัดเจนนี่เป็นต้นเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนี่ก็เรียกว่าคัมภีรอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสามารถกล่าวเรื่องถ้าถ้าพูดทางด้านเจาะไปที่คัมภีร์เลยก็บอกว่าพูดเรื่องขันอายตนะท่าสัจจาพูดเรื่องกระแสชีวิตที่ละเอียดเนี่ยให้ตื่นได้กระแสของรู ป, ปรขันเวรานาสัญญาสังขารมิยานซึ่งยากนะถ้าจะพูดแบบนี้ยากมากเข้าใจยากมาก แต่สามารถเอามาพูดให้เห็นได้ชัดเจนเหมือนกันกันกบว่าแก้วมณีบนฝ่ามืออะไรเงี้ยส่วนโนจัตฐานเนีนิโยชยเด่ก็คือไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียดึงออกจากสิ่งที่เสื่อมเสียโดยเป็ตนต้นนั่นคือลักษณะของคุณสมบัติของอาจารย์เนี่ยก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือส่งเสริมยกย่องความดีงามความสามารถให้ปรากฏแล้วก็สร้างเครื่องคุ้มภัยในสารทิศก็คือว่าสอนสิทธ ให้มีวิชาเลี้ยงชีพได้แล้วก็รู้จักตำรงตนด้วยดีที่จะเป็นหลักประกันให้ดำเนินชีวิตได้อย่างงดงามเลยนี่คุณสมบัติของอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะนี่มาสรุปอภิการต่อไปในฐานะที่สามสามีฐานะที่เป็นสามีพึงให้เกียรติบารุงภรรยาที่นี้ในเรื่องของสามีกับภรรยานะ อยอมทั้งหลายที่เป็นสามียอมทั้งหลายที่เป็นภรรยาต้องฟังในเรื่องนี้คือประเด็นคืออย่างนี้คนที่เป็นสามีเนี่ยต้องชาญฉลาดมากต้องมีพรหมวิหาราธรรมต้องปฏิบัติสังฆาวัตถุต้องปฏิบัติในศีลห้าเนี่ยแล้วต้องชาญฉลาดอย่างดีถึงมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ไม่ได้มีสไลด์มาไอ้สามีต้องฉลาดฉลาดถึงความทุกข์ความทุกข์ของผู้หญิงเนี่ยก็คืออย่างนี้ เในบรรดาบุคคลที่เกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยนะยอมทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงที่นั่งน่งฟังกันอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่มาฟังน่าจะเป็นโยมผู้หญิงมากกว่ายมผู้ชายด้วยซ้ำไปยมเคยรู้ตัวเองไหมว่าตนเองมีความทุกข์กี่ประการโดยส่วนใหญ่คนจะไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรูร้จักเราเนาะนี่เราคือพระสัมยุตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผู้หญิงที่แต่งงานนะผู้หญิงที่แต่งงานเนี่ย หรือไปอยู่กับสา ม, มีก็ดีไปอยู่บ้านพ่อพ่อตามไม่อยากเออไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่กังสา ม, มีก็ดีหรือไปอยู่กับสา ม, มีก็ดีต้องทิ้งอะไรต้องทิ้งพ่อแม่ปู่ตยายายยายญาติมิตรไปอยู่กับฝ่ายชายเนี่ยในในสมัยก่อนก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นฝ่ายหญิงไปอยู่กับฝ่ายชายแค่นั้นผู้หญิงก็ค่อนข้างที่จะต้องมีความทุกข์ทางด้านนี้ค่อนข้างมาก บางครั้งเนี่ยเอาความเชื่อมั่นไปฝากไว้กับผู้ชายที่จะเป็นผู้นำพาชีวิตของตนเองในการที่จะฟันฝ่าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ตนเองมั่นใจว่าท่านผู้นี้จะสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ท่านผู้นี้จะสามารถเป็นหลักในการที่นำพาชีวิตของตนเองให้พบสิ่งที่ดีงามเป็นต้นได้เนี่ยฉนันผู้หญิงจะมีความกังวลในข้อนี้สูงความทุกข์ในใจของผู้หญิงจะมาก ผู้หญิงทุกคนนีย่ยอมยมผู้หญิงที่นั่งฟังอยู่ก็ย่อมจะเข้าใจว่าโดยมากจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้แหละฉะนั้นถ้าภาวะอย่างนี้ผู้ชายต้องฉลาดนะว่าผู้หญิงเป็นแบบนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นการที่ผู้ชายจะสร้างความเชื่อมั่นได้ผู้ชายก็จะต้องมีหลักอะไรพรหมวิหารและธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วเมตตากรุณาบุติตาและเวขาแล้วใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์แล้วต้องบําเพ็ญฝึกออกมาเป็นสังขาวัตถุแล้วก็ประพฤติในศีลห้าอย่างต่ำานี้เป็นต้น ทีนี้การที่เราจะสามารถมีพอไม่หารธรรทในใจได้ก็แปลว่าผู้หญิงไปอยู่ด้วยเขาก็จะมั่นใจกับคนที่ไปอยู่แล้วเขาอบอุ่นไปอยู่แล้วก็มีความสุขไปอยู่แล้วไม่เกินไม่เกยหวาดระแวงและยังชาญฉลาดที่จะปลอบประโลมด้วยถ้าผู้หญิงเกิดความทุกข์ใจเครียดแค้นหรือระแวงระวังขึ้นมาอย่างนี้เป็นตอนนี้เป็นความทุกข์ข้อแรกของผู้หญิงนะคือการต้องไปเหยียบฝ่ายชาย ความทุกข์ประการที่2ของผู้หญิงผู้หญิงมีกรรมประเภทหนึ่งที่สั่งสมมาเนี่ยก็คือผู้หญิงนั้นจะต้องมีภาวะความเปลี่ยนแปลงในร่างกายเดือนละครั้งเนี่ยอันนี้เป็นความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเดือนละครั้งที่เรียกว่าเป็นเมนเป็นเยเป็นเป็นประจำเดือนเนี่ยที่จะต้องถูกขับของเสียออกมาเนี่ยทีนี้เวลาถูกผักของเสียออกมาจากร่างกายมันจะทําให้ดินน้ําไฟลมในร่างกายเกิดการปั่นป่วนเนาะเมื่อธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมไม่ได้ดุลยภาพ เพราะจะต้องอยู่กับสภาพที่มีดินน้ำไฟลมเนี่ยถ้าพูดกันให้ตามเหล่า ว, วิทยาศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้ย่ยมนะคือของเสียในเลือดเนี่ยของเสียในเลือดบางทีถ้าเราอยู่กับตัวคีโตนินเนี่ยคีโตนินเนี่ยที่บางทีบางคนอาจจะอยู่ 0.20.8 อะไรก็แล้วแต่บางคนต้องขึ้นมาเป็นหนึ่งบางคน หนักๆก็แล้บางครั้งเลือดมันค้นเลือดมันเสียมาดินน้ำไฟลมปั่นปวดเนี่ยสภาพตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุทําให้สภาพร่างกายไม่สบายเมื่อสภาพร่างกายไม่สบายความทุกข์ที่เกิดจากการมีฤดูเนี่ยมันจะปรับมันปรับตัวเองตลอดเวลาเั้นเวลาปรับตัวเด็ขึ้นมาผู้หญิงก็จะเครียดมากง่ายงุดหงิดง่า ย, า ย, ายผู้ชายก็งงนะอะไรเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวอะไรเนี่ย ผู้ชายบางคนก็เลยพอพานไปโกรธเธอก็ให้แทนที่จะเข้าใจกระบวนการความเป็นไปของเธอแล้วก็ปฏิบัติต่อคุณเธอให้ถูกเนะี่การปฏิบัติต่อให้เธอให้ถูกก็คือว่ารู้จักปอบประโลมเอาใจแนะนำนะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วผู้ชายก็ต้องฉลาดออการที่จะเป็นผู้นำครอบครัควเขาห้ามโง่ะนะี่ยมนะีผู้ชายก็ห้ามโง่เขาให้ฉลาดต้องฝึกให้ฉลาดนะ ฝึกจากพ่อแม่ครูอาจารย์นี่มีข้อที่สองเนอะก็คือสถานการณ์ที่เขากําลังประสบความทุ ก, กข์ต้องกรุณาเขาต้องกรุณาเขาใช่ไหมประการที่สามก็คือผู้หญิงเมื่อแต่งงานกันแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีคันเนอะผู้หญิงก็ ต, งตั้งคันเป็นเรื่องปกติเกอปัจจุบันเนี่ยพูดถึงในเรื่องเนี้ยมีหลายคู่มากที่แต่งงานแล้วไม่อยากมีบุตรไม่อยากมีคู่ อันนี้หลักขันหลักการสืบเผ่าพันธุ์นะยมสังเกต ด, ดูต้นไม้ไหมต้นไม้ที่ไม่มีชีวิตต้นไม้ที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเวลามันจเจริญเติบโตขึ้นมามันก็สลัดสลัดเมล็ดพันธุ์สลัดเมล็ดพันธุ์ออกมาเพื่อจะสร้างเมล็ดพันธุ์เพื่อจะทำให้ต้นไม้ชนิดนั้นเนี่ยสืบทอดมนุษย์ก็เหมือนกันงั้นต้องสร้างเผ่าพันธุ์ที่ดีออกมา สร้างเผ่าพันธุ์ที่มีคุณภาพมีศักยภาพมีสมรรถภาพเนี่ยมากกว่าพ่อกว่แม่เพื่อจะได้มาเป็นหลักของสังคมแล้วก็จะได้นําพาสังคมไปสู่จุดหมายที่ดีดเป็นต้นอะนี้ความทุกตรงเนี้ยผู้หญิงตั้งครรเนี่ยถ้ามีของแปดปลอมไปอยู่ในร่างกายแล้วเธอก็จะเครียดวิตกกังวลเลยมากผู้ชายต้องฉลาดขึ้นอีกหลายเท่าตรงเนี้ยจะต้องวาระนี้ควรเมตตาวาระนี้ควรกรุณาวาระนี้ควรมุทิตาวาระนี้ควรวางใจเป็นกลาง มีปัญญาเข้าเอาตนเองต้องตัวร้านนี้ต้องใช้สมานตาตามากเอาตนเองเข้าไปสมานเสมอสมานเชื่อมประสานร่วมสุขร่วมทุกข์กับเธ อ, อยังไงเป็นต้นเธอก็จะมีความสุขแล้วเธอก็จะอบอุ่นใจงี้เป็นต้นแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากการคลอดบุตรโอ้โหตรงนี้ยทรมานมากอย่างที่เรารู้รู้กันนี่แหละคนที่คลอดบุตรเนี่ยทรมานมากเด็กที่โตกย็ยิ่งคลอดยิ่งโบราณเนะียิ่งทุกข์ใหญ่ปัจจุบันนี้อาจจะมีการผ่าตัดวางยาแต่ก็ยังทุกอยู่นั่นแหละ ผู้ชายต้องเข้าใจและความทุก์จากการที่ต้องบำเรอฝ่ายชายนอะเนี่ยผู้ชายก็ต้องไม่เอาแต่ใจตัวเองจนเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนันผู้หญิงมีความทุกข์ห้าประการนี้แหละผู้ชายต้องจะแต่งงานผู้ชายที่แต่งงานต้องเรียนรู้ตรงนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดถ้าไม่ชัดก็ปฏิบัติต่อเธอไม่ถูก <c oughs> เมื่อปฏิบัติไม่ถูก <c oughs> ก็จะมีปัญหาด้านครอบครัวนี่เป็นต้นอันนี้อันดับแรกก่อนที่ว่าฝ่ายชายที่พึงจะปฏิบัติต่อฝ่ายหญิงอย่างไรนะ ทีนี้ในฐานะที่เป็นสามีพึงให้เกียรติบำรุงภรรยาผู้เปรียบเสมือนทิศเบื้องหลังมาที่หลังนี่แหละยกย่องให้เกียรติสมฐานะที่เป็นภรรยาเออนี่เรื่องนี้สำคัญมากการยกย่องก็คือมีความชาญฉลาดในการที่จะพูดจะยกย่องว่าภรรยาตนเองหาจุดเด่นนะไม่ใช่ยกย่องเกินจริงนะให้สังเกตดูภรรยามีจุดเด่นตรงไหน มีจุดเด่นทางด้านพฤติกรรมยกย่องพฤติกรรมมีจุดเด่นทางด้านวาจายกย่องทางด้านวาจามีจุดเด่นทางด้านสภาพจิตใจยกย่องทางด้านสภาพจิตใจมีจุดเด่นทางด้านทัศนคติที่ดีมุมมองที่ดีก็ยกย่องต้องหามุมดีๆของภรรยามายกย่องยกย่องต่อหน้ายกย่องต่อพ่อแม่ยกย่องต่อปู่ตายายยายยกย่องต่อเพื่อนการยกย่องเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากผู้หญิงเนี่ยมีมีจุดอยู่จุดหนึ่ง ยิ่งตำหนียิย่งเสียใครไปตำหนีผู้หญิงก็จะยิ่งงอนเข้าใจไหมข้อที่สองยิ่งห้ามดูหมิน่นถ้าไปดูหมิ่นเธอว่าโง่าบ้างไม่ฉลาดบ้างไม่สวยบ้างแก่บ้าง <c oughs> โอ้ตายเลยอะไรนะที่เขาชอบพูดกันเนะี่ยแก่ง่ายตายช้าไอสมมุติไปพูดโอตายเลยร <c oughs> อ๋อไปพูดกันเมี้ยเขาบอกว่ามังคนมีคนคนหนึ่ง ขับรถไปกับภรรยาไอ้รถก็รถก็ซื้อมานานแล้วก็อุทานออกมาไอ้รถก็เกา่าเมียก็แก <c oughs> โอ้ตายเลยวันนั้นนะแทบแทบสวยเลยนี่เนี่ยไปลักขนาดเงี้ยไปดูหมิน่นไปดูหมิ่นภรรยาซึ่งเขาห้ามห้ามเพราะจิตที่คิดจะดูหมินเป็นจิตที่คิดจะดูถูกเลยจะดูหมิ่นมาด้วยจิตประเภทไหนะยอมรู้ไหมหดูหมิน่นมานะ ยกตนชูตนเบียบเพียบตนนึกว่าตนเองเด่นตนเองเดีก็เลยไปดูหมิน่นว่าภรรยาด้อยกว่าเนี่ยด้อยกว่ามันจิตมันแข็งกระด้างแล้วก็มาอยากทิฐิความเห็นผิดเพราะไม่รู้คำสอนก็เลยไปดูห ม, มิ่นมันไม่ห้ามดูหมิน่นต้องไม่ดูหมิน่นถึงแม้เธอจะมีจุดบอกพ้องก็ห้ามดูหมิน่นถามว่าแล้วทำไงวิธีการจะทำยังไงถ้าไม่ให้ดูหมิน่นจะทำยังไง การยกย่องเธอแล้วเธอจะปรับเออนี่แปลกมากผู้หญิงเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะออการยกย่องในมุมที่ดีของเธอในมุมที่ดีของเธอเช่นเธ อ, เ ป, นน เ, อ, อเป็นคนขยันเป็นคนขยันชอบถูบ้านชอบหุงข้าวเนี่ยโอ้นี่จุดเด็ดหรือเธอเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการที่ว่า เ, ออเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่ง ก็ยกย่องอีตัวคุณสมบัติในการทำกับข้าวนี่แหละเอหรือมีคุณสมบัติในการที่ว่าฉลาดในการซื้อของสมมตินะเธออาจจะใช้เงินเปืองเน่ยใช้เงินเปืองมากก็คือว่าเป็นสตรอเงินเนี่ยไปโอ้ซื้อแต่ของมาเนี่ยก็บอกเออภรรยาเนี่ยเป็นคนฉลาดซื้อของไปหาของดีฉลาดในการซื้อของมากเลยเนี่ยถ้าเรื่องการซื้อของคัดของดูของต้องยกให้คุณเธออย่างี้ เอาแล้วไอ้ในใจที่เธอใช้เงินเปืองจะทํำยังไงอาถามว่าจะจะทําไงก็คือมีปัญญาในการที่จะบอกว่าฉลาดในการซื้อของรู้ว่าของนี้แพงของนี้ไม่แพงของนี้ดีมีค่าอะไรทั้งหลายหเหล่านี้เนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเธอเธอเป็นคนที่ชานฉลาดในการซื้อของแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือไม่นอกใจให้สังเกตดูในข้อที่สามไม่นอกใจยมบุญหญิงสังเกตดูนะถ้าสามี ยกย่องให้เกียรติในฐานะที่เป็นภรยาสองไม่ดูหมิน่นสามไม่นอกใจสามในสามข้อนี้ข้อในสำคัญที่สุดผู้หญิงบอกไม่นอกใจสำคัญที่สุดที่จริงสำคัญทุกข้อแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ผู้หญิงจะรู้สึกดีใจมากที่สุดก็คือมอบความเป็นใหญ่ในบ้านนะมอบความเป็นใหญ่ในบ้านนะบางคนชอบพูดล้อเลียนกันมอบความเป็นใหญ่ในบ้านนะ การพวกสามีที่ฉลาดก็ถ้าเรื่องในบ้านก็จะยกให้ภรรยาบอกว่านี่นะเธอนะในบ้านของเธอในบ้านนี้นะเธอจะจัดแจงยังไงจะทำยังไงจะนั่นยังไงเธอให้สิทธิเด็ดขาดอย่างนี้เป็นต้นและอีกข้อหนึ่งนะที่สามีที่พึงปฏิบัติต่อภรรยาก็คือหาเครื่องประดับให้ ขวาคล้องขวัญให้ในโอกาสอันควรถึงแม้จะแต่งกันมานานขนาดไหนอยู่กันมานานขนาดไหนเออเนี่ยอันนี้เป็นสาคัญมากผู้ชายบางคนเนี่ยนะแต่งงานเนี่ยกับผู้หญิงไม่เคยเลยจะมีเครื่องประดับขาดหลักการเพราะการให้ของประดับทั้งหลายเนี่ยนะก็คือการให้ทานเน่ก็คือทางานให้ นอกจากจะให้ด้วยด้วยสิ่งของแล้วเนี่ยก็มีกาวาจาที่อ่อนหวานด้วยแล้วก็เป็นคนที่ประพฤติประโยชน์กับภรรยาที่ถูกต้องเลยถือของให้อะไรให้รายละเอียดต่างๆบางคนก็บางคนมาเราให้พราวฟังว่าโอ้ผมเนี่ยทาทุกอย่างเลยท่านอย่างกับคนใช้เลย <c oughs> อันนี้นะว่าอันนี้ทําด้วยความอึดอัดนะห้ามทําด้วยความอึอดอัดเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือหาเครื่องประดับให้ในการอันควร ถึงแม้ว่าจะอยู่กันมานานขนาดไหนเรื่องนี้สำคัญที่สุดทีนี้เดินต่อมาภรรยาเนี่ยเมื่อสามีปฏิบัติต่อต่อเราอย่างนั้นแล้วก็ต้องจัดการงานให้เรียบร้อยจัดการงานดีเนี่ยเป็นคนที่คำว่าจัดการงานดีมาจากความชานฉลาดเป็นคนไม่สับเป่าไม่บกพร่องเป็นคนที่มีความชานฉลาดในการจัดงานมากโดยเฉพาะในบ้านจัดกิจกรรมในบ้านดีมาก ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เอ่ยเตียงเอ่ยโซฟาเอ่ยทั้งหลายเหื่อนี้เป็นต้นการประดับประดาตกแต่งทั้งหลายมัเป็นคนฉลาดมากแล้วก็ถ้ามีลูกน้องมีอะไรทั้งหลายก็เป็นคนชาญฉลาดในการจัดการมากในเรื่องในบ้านทั้งหลายเรื่อเรียบร้อยมากสรงเคาะญาติมิตรทั้งสองฝ่ายดีเนี่ยเห็นไหมสังเกต น, นะผู้หญิงต้องฉลาดสรงเคาะญาติมิตรฝ่ายสามีญาติมิตรฝ่ายเราเขาเรียกว่า คำว่าสงเคราะห์ก็คือสงเคราะห์ว่าวาระนี้ควรจะปฏิบัติด้วยเมตตาวารานี้ควรจะปฏิบัติด้วยกรุณาวาระนี้ควรจะปฏิบัติด้วยมุติตาวาระนี้ควรเวเขาวาระนี้ควรจะให้สิ่งของวาระนี้ควรจะใช้คําพูดวารานี้ควรจะพึ่ประโยชน์วาระนี้ควรจะเอาตนเองเข้าไปเสมอในสุขเสมอในทุกข์กับญาติเชื่อมประสานสุขและทุกข์ในญาติเนี่ยแบ่งปันทั้งหลายวางตนเหมาะสมทั้งหลายเหล่านี้ตรงเนี้ภรรยาต้องฉลาดมาก ฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นคนที่คิดอ่านการใดๆรอบคอบยิ้มแย้มแจม่มใสเป็นคนประพฤติ ธ, ธรรมจิตใจหนักแน่นใ <c oughs> นร า, ายละเอียดเยอะเลยตรงนี้เนี่นี่เป็นการประพฤติ ธ, ธรรมได้จริงด้ยแล้วก็ไม่นอกใจข้อที่สามข้อที่สี่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหาไว้ได้ไอ้ตรงนี้สาคัญมากนะจะต้องรู้จักใช้จ่ายหลักการใช้จ่ายเนี่ย ภรรยาต้องเก่งนะเป็นคนที่ถือทรัพย์เนี่ยอยากดูรู้ไหมว่าพระเจ้าถือหลักการในการใช้ทรัพย์ยังไงถ้าได้ทรัพย์มาในหลักการคืออย่างที่พูดอย่างคร่าวๆเนี่ยยี่สิบห้าห้าสิบยี่ห้ายี่สิบห้าก็คือว่าทรัพย์ที่หามาได้ทั้งหมดยี่ห้าเปอร์เซนตเอาดูแลตนเองบุตรหลานญาติมิตรทั้งหลายเลยเนี่ย บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ให้มีสุขเนี่ย 25% 25% และก็ดูแลตนเองดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ทรัพย์ทำความดีเนี่ย3อย่างนี่เนี่ยแล้วก็อีก 50% เนี่ยของทรัพย์เอาใช้ระบบการหมุนเวียนเรียกลงทุน ให้สามีลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นนี่เป็นไอห้าสิบเนี่ยใช้ระบบการหมุนเวียนอาจจะไปลงทุนร่วมกับเพื่อนเลยไปทํากิจการใดๆก็แล้วแต่ให้เป็นระบบหมุนเวียนทําไมห้าสิบต้องไปหมุนเวียนนะเพื่อต้องการให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในหมุนเวียนในครัวเรือนหมุนเวียนในชุมชนหมุนเวียนในระดับตําบลอาเภอจังหวัดแล้วก็ภาคและประเทศตลอดถึงหมุนเวียนในโลกนี้ฉะนั้นจึงต้องเอาเงินผักเงินออกมาให้มีระบบการหมุนเวียน ส่วนยีเอร์เซนเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักการชีวิตเห็นไหมหลักการนี้ภรรยาก็ต้องไปเรียนในเรื่องตรงเนี้ยเรียนหลักการของพระเจ้าปัจจุบันหลักเศรษฐศาสตร์ก็หลักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่ถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์ทางโลกก็ต้องมาเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธด้วยเอาคำสอนพระพุทธเจ้าไปเชื่อมโยงด้วยจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องดีนะฉะนั้นภรรยาก็เก่งรู้จักรักษาทรัพย์ แล้วก็เป็นที่ปรึกษากับสามีได้ดีด้วยรักษาทรัพย์ไว้แล้วก็ข้อสุดท้ายคือขยันช่วยจัดช่วยทาการงานทุกอย่างไม่เกียจค้านในกิจการทั้งปวงโอ้โหเดี๋ยอนี้ดูตัวอย่างใครดีนางวิสาขามหาบาสิกาเป็นคนเก่งมากทั้งงานบ้านงานเรือนงานข้างนอกทั้งหลายนี่เก่งมากท่านทั้งหลายไปดูได้นางอุตรานันท ม, มาตาก็เก่งมาก นะซึ่งเป็นภรรยาเป็นภรรยาเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากหรือนางมารีกาเนี่นางมารีกานางมารีกาไม่ว่าจะเป็นนางมารีกาภรรยาของพระเมษีข้าพเจ้าเปรเตที่โกศลก็เก่งหรือมาารยนางมารีกาซึ่งเป็นภรรยาของพันธุราเสนาบดีก็เก่งไม่มีเวลานํามาเล่าหรือจะเล่าสักหน่อยดีไหมเล่าสักคนดีกว่านะจะได้เป็นประโยชน์ เอาาเอานางมัลลิกาภรรยาของพันธุลาเสนาบดเออีเธอเป็นภรรยาของพันธุลาเสนาบดีนี่นะเก่งมากเก่งตรงไหนเก่งตรงที่ว่าภรรยาของท่านพันธุราเสนาบดีเนี่ยเธอมีลูกสะพ้ยตั้งสามสิบกว่าคนก็มีลูกตั้งาบานสาิบ เออถ้าพูดถึงลูกสามสิบคนเนี่ยนิยมอาจจะตกใจเนี่แต่ก่อนนี่เป็นเรื่องปกติเลยยอมแม่อตมาเนี่ยมีลูกตั้งแปตั้งเก้าคนฉะนั้นมีลูกตั้งแปดคนเก้าคนาเนี่ยตายไปนะแต่ที่เหลือจริงๆก็เหลือปัจจุบันเนี่เหลือหกเลยเหลือแปดเอามานับญาติไม่ถูก <c oughs> ออา็งี้ <c oughs> <c oughs> เนี่ย ฉะนั้นนางมลิกาเนี่ยเธอเป็นคนที่จัดการงานดีทรงเคาะญาติทั้งสองฝ่ายได้ดีไม่นอกใจรักษาทรัพย์ที่สามีหาไว้ได้ขยันไม่เกียจค้าในกิจการทั้งปวงและเป็นคนตั้งมั่นในพรหมวิหารธรรมตั้งมั่นในสังขาวัตถุอย่างดีด้วยทีนี้ท่านพันธุลักเสนาวดีเนี่ยเป็นอมาตเป็นอมาตของพระเจ้าประสิทธิโกศ มีปัญหาเกิดขึ้นในบ้านเมืองเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงนี้ยซึ่งซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดมากต่อมาเนี่ยพระเจ้าเพนดินคือพระเจ้าเประเซนที่โกศลเนี่ยถูกอํามาดกลุ่มหนึ่งยุยงปุกปัน่นนี่อาการที่ว่ายุยให้รำทำใม้รั่วนี่ต้องระวังเนืสภาพสังคมที่แตกแยกกันเนี่ยนี่เหมือนกันพระเจ้าประเซนที่โกศลเนี่ยทนแรงยุยงไม่ไหวเลยหวาดระแวงพันธุลเสนาบดีซึ่งเป็นอํามาดคู่ใจเนี่ย อามาตย์พวกนี้เป็นคนที่ชานฉลาดมากเคยเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าประเซนที่โกศลโดยสมัยที่ไปเรียนกันอยู่ที่ตักกศิลาตอนไปเรียนกันอยู่ที่ตักกศิลาเนี่ยพระเจ้าประเสซนที่โกศลเป็นราชกุมารก็ไปเรียนส่วนพันธุลัเสนาบดีก็ไปจากไปจากกุสินาราแวนมันละพอไปเรียนแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกันที่ตักกศิลาแล้วก็กลับมา พระเจ้าประเซนที่โกศลเป็นราชกุมารเมืม่อเรียนจบกลับมาต่อมาพระราชาพระเจ้ามหาโกศลสวรรคตก็เลยขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเปนดินครองแฟนโกศลพันธุระเสนาวดีก็กลับมาเหมือนกันก็กลับมาที่แคว้นมันละนี่แหละเข้ามามาสแสดงศิละปะเพราะเป็นคนเก่งมากก็คือว่าศิละปะในการสามารถใช้มีดคมๆเนี่ยตัดตัดเหล็กเนี่ยเหล็ก เหล็กรวมร ว, รวมกันได้หกสิบเส้นยี่สิบเส้นเนี่ยมีพละงกำลังสูงมากท่านพันธุราเสด็สามารถตัดเหล็กเนี่ยไม่ให้มีเสียงได้เลยตัดกริ๊กตัดขาดเลยว่านันเถอะทีนี้ประเด็นก็คือว่ามีการแข่งขันกันในพพนมาละเนี่ยกระยั กษัตริย์นั้นก็เอาไม้ไผ่มาทดลองให้บรรดาราชกุมารทั้งหลายเนี่ยหรือบรรดากลุ่มเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายเนี่ยลองพละกํำลังกันก็ตัดพันธุลัษเสนาบดีก็ใช้มีดเนี่ยตัดไม้ไผ่หกสิบลเนี่ยตัดพร้อมกันเนี่ยตัดเสียงดังกริ๊กอย่างแรงเลยเนี่ยโหตกใจตันดีตัวเองนึกเครียดขึ้นมาเลยว่าคือโดนหลอกท่านท่านสัการว่ามีแต่มไม้ไผ่ธรรมดา ทีนี้ก็เลยโกรธอยากจะฆ่าบรรดาบรรดาญาติทางหางพ่อแม่ก็ขอร้องไว้ว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเลยก็เลยโกรธโกรธโมญาติก็เลยไม่อยู่แล้วก็เลยไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าก็เลยไปอยู่กับพระเจ้าเสด็จที่โกศลพระเจ้าเสด็จที่โกศก็เลยตั้งให้เป็นอมาตนี่แหละแล้วก็ไปพร้อมภรรยาคือนางมาริกานี้ด้วยเนะี ก็นี่ทำราชกิจอยู่กับพระชาช น, นที่โกรธส่วนอยู่แล้วเขาตัดสินคดีความแทนพระยาเวดินโอ้โหไปลบที่ไหนก็ชนะชนะมากที่พอยหลังจากที่ถูกยุยงได้อมาตกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องปกตใิในสังคมเนี่ยในสังคมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าฤทิ์ยาและความตนีเป็นเหตุแห่งการแตกแยกใช่ไหมล่ะ ลิสยาก็คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้เนี่ยไอ้ตันนีก็หมายความว่าห่วงห่วงมีอยู่ห้าใช่ไหมหนึ่งก็คือหวงถิ่นห่วงที่อยู่ห่วงประเทศอะไรก็ว่าไปแต่ในห่วงยึดมาโดยปองเป็นของฉันเนี่ยยึดมั่นสองก็คือว่าห่วงตระกูลห่วงเผ่าพันธุ์เล่นพรรคเล่นพวกนั่นเองเนี่ยเนยเนี่ยหวงประการที่สามก็คือลาภมาติชริยะก็คือหวงผลประโยชน์ หวงผลประโยชน์4ก็วันนะมัฉริยาก็หวงสีผิวเกียรติคุณเกียรติยศชื่อเสียงลาภยศต้องการในตนเองสารเสริญกลุ่มพวกพ้องตอนเองเท่านั้นสุดท้ายก็คือธรรมมัฉริยาก็ห่วงวิชาความรู้ไม่ต้องการคนอื่นรู้เท่าตนเองห่วงต้องาการในตนเองกลุ่มของตนเองเท่า น, นั้นที่รู้คนอื่นไม่ต้องการเนี่ยพอเกิดห่วงกับลิษยา ก, กรณีลิษยาและตณีเป็นเหตุแห่งการแตกแยกในทุกสังคมถ้าลิษยา เห็นคนอื่นได้ดีถนไม่ได้ริศยามาจากมุทิตาเขาไม่เป็นใช่ไหมเนี่ยขาดแต่พรหมวิหารละธรรมใช้พรหมวิหารลธรรมไม่ถูกนี่แหละทั้งโกรธทั้งเครียดแค้นชิงชังก็มากันนี่แหละคิดเบียดเบียนก็จะตามมาอีกเยอะฉะนั้นสังคมที่ขาดพรหมวิหารธรรมก็จะเป็นสังคมที่แตกแยกแปลกแยกกันแล้วก็ทะเลาะบอกแวงกันแม้แต่ในครอบครัวก็แตกแยกฉะนั้นจึงเป็นความจําเป็นอย่างมากว่า ทำยังไงเราจะประพฤติ ธ, ธรรมได้อย่างถูกต้องดีงามเป็นต้นได้เนี่ยแม้แต่ในในยุคที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายัางทรงวชนอยู่ทำคําสอนพระเจ้าก็แพร่ขยายไปยันแฟนโกศลอนาประชารากักระประพฤติธปฏิบัติธรรมเห็นไหมยังมีจุดรั่วได้ในประมาทเมื่อไรก็จะมีจุดรั่วฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเกิดสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก ถ้าไม่ประพฤติพรหมวิหารและทำผักออกมาเป็นสังขาวัตถุแล้วก็ประพฤติศีลที่มีตัวเมตตากรุณามุริตาเบกขามีปัญญามีความรู้เป็นต้นกํากับแล้วในที่สุดจริงก็แตกแยกพอแตกแยกก็ระส่มละสายก็ปั่นป่วนปัญหาสังปัญหาคนปัญหาสังคมก็ตามมาอีกเยอะมากอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมนั่นในความตนหนีทั้งหลายเหล่านี้ก็เปเหตุในการแตกแยกดังที่ได้กล่าวนี่แหละทีนี้ประเด็นก็คือว่า เมื่อถูกแย่ถูกกระทุ้งที่สุ่นจริงพระเจ้าเปรนเส้นที่โกศลก็หลุดระแวงพันธุลัเสนาบดีเมื่อเกิดระแวงพันธุลัเสนาบดีแล้วเนี่ยก็เลยออกอุบายจะจัดการก็คือจะฆ่าพร้อมด้วยลูกลูกลูกลูกชายของพันธุลัเสนาบดีทั้งสาบสองคนเนี่ยขึ้นมามีกลุ่มอานาจในการนี้เกือบหมดก็ เ, เลยหวาดระแวงว่ากลัวว่าจะถูกเล่นงาน ก็เลยออกอุบายว่าชนบทชายแดนมีมีมีกบฏเกิดขึ้นมาก็เลยส่งให้พันธุรักษณ์เสนาบดีพร้อมด้วยลูกชายทั้งหมดคุมกองกําลังไปเล็กน้อยไปชายแดนเพื่อไปปราบก<ระ>บฏแต่ตนนัวเองก็เตรียมกําลังของทหารอย่างมากเลยเห็นไหมว่าเวลากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ยกเว้นเลยเนี่ย เอาทหารไปล้อมตรงนั้นไว้พอกลุ่มพันธุร่เสนาบดีพร้อมด้วยลูกๆและพร้อมด้วยกองกําลังเนี่ยเข้าไปก็ตกอยู่ในวงล้อมในคราวนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่าพันธุร่เสนาบดีพร้อมด้วยลูกอ่านสถานการณ์ขาดทันทีว่าตนเองพระราชาไม่ไว้ใจแล้วผู้นําไม่ไว้ใจแล้วทีแรกคิดสู้กัน ถ้าสู้ก็สามารถชนะได้เพราะมีสติปัญญามีพลักกำลังมีศักยภาพมีความสามารถทั้งลูกชายทั้งตนเองแต่ก็เลยประชุมบอกลูกชายบอกว่าไม่ได้ถ้าขืนสู้เนี่ยบ้านเมืองเดือดร้อนแน่นอนฉะนั้นถ้าพวกเราเสียชีวิตหรือตายไปในแต่บ้านเมืองสงบบ้านเมืองสงบฉะนั้นต้องเอาคนส่วนใหญ่ไว้ พระราชาไม่เข้าใจวันนี้วันหน้าก็เข้าใจเราได้ผู้นำไม่เข้าใจวันนี้วันหน้าก็เข้าใจได้ฉะนั้นเราส่วนน้อยเท่านั้นแหละแต่ถ้าเราแข็งข้อขึ้นมาแล้วตั้งกกตั้งหมู่ตั้งเหล่าขึ้นมานะมันจะเดือดร้อนกันอีกมากในภรรยาก็ดีแล้วก็แล้วก็ภรรยาของเธอทั้งหลายก็จะต้องถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็จะเดือดร้อนกันอีกเยอะ การลงทุนในประเทศทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเสียโอ้โหมากมายมา ก, มากวังนั้นเถอะเห็นไหมจากคนที่มีปัญญาผ่านโลกผ่านเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์มาเยอะตอนเองก็จากบ้านจากเมืองมาจากกุศลล า, าก็มาอยู่กับเพื่อนแต่มาคราวนี้เพื่อนเห็นว่าตนเองเนี่ยหวาดระแวงในตนเองอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นไรก็เลยยอมจำนนก็ถูกฆ่าตายทั้งหมดเลยทีนี้ ที่จะยกเรื่องนี้ก็คือว่าในวันที่พันดุลาเษเสนาบดีพร้อมด้วยลูกชายโดนฆ่าตายอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมก็คือว่ามีกองทหารเนี่ยคนที่หนีรอดมาได้ก็ไปส่งข่าวให้กับนางมาริกาซึ่งเป็นภรยาได้ทราบตอนนั้นนางมาริกาพร้อมด้วยลูกสะั้ยตลอดถึงบริวารทั้งหลายไปทำบุญที่วัด มีพระรยาเว็นรมุกเป็นต้นเนี่ยในขณะที่ไปถวายทานอยู่นั้นกําลังถวายทานอยู่นั้นเนี่ยมีคนเอาจดหมายน้อยไปให้เธอก็อจดหมายมาอ่านแล้วก็ข่าวแจ้งบอกว่าสามีพร้อมด้วยลูกตายในสนามรบแล้วตายหมดแล้วเธอมานสิกานปุ๊บทันทีเลยเห็นไหมเดินพรหมวิหารอะไรข้อไหนนางบริกาเดินพลวิหารข้อไหนยมรู้ไหม เมตตากรุณาบุรุตาหรืออุเบกขาเดินอุเบกขาพรมวิหารทำตนให้เหมาะสมมีอุเบกขาเด่นมีปัญญาไปพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จต้องรับผลของกรรมนั้นตอนนี้เราถูกสถานการณ์เนี่ยที่จะต้องรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงามรู้ทันทีว่าสามีไม่ไม่สู้รู้ทันทีว่าสามียอมจำนนเนี่ย เพต้องการรักษาหลักการของบ้านเมืองไว้รักษาส่วนใหญ่ของประเทศไว้ถ้าสามีเกิดตั้งป้อมดิ้นั่นขึ้นมาเดือดร้อนแน่แนและนี่สุวนจริงก็ฆ่าฟันกันเนี่ยตายกันไม่รู้กี่แสนแล้วก็ไม่ใช่เดือดร้อนแ ต, แ ต, แ ต, แต่แต่พระแต่แต่ประชาชนธรรมดาพระสงฆ์องคาา์พระเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็ต้องเดือดร้อนพระสงฆ์ผู้ฉลาดในธรรมทั้งหลายเนี่ยผู้ตั้งมั่นในธรรมก็จะเดือดร้อนข้าวปลาอาหารเอ่ยเกิดภัยพิบัติทั้งหลายตามมาอีก แล้วก็เกิดการแปรปรวนในบ้านในเมืองอีกมากมายเหลือเกิน น, นี่คนคนคำนึงถึงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะโยมเ น, นี่ยเนี่ยภรรยาก็ฉลาดรู้ทันทีก็วางท่าทีเพราะรู้จักสามีรู้จักลูกของตอนเองดีเพราะเพราะตั้งมั่นในธรรมะในขณะเดียวกันตอนนั้นคนรับใช้เนะี่ยทำไม่ภาชนะตกแตกพระสารีบุตรรู้ไหมว่านั้นรู้เพราะท่านเหล่านั้นรู้อดีตอนาคตมียานอย่างเห็นพระพุทธเจ้า ก, ก็ทราบ พอภาชนะหล่นแตกปุ๊บภาษาลิบุตรเตือนทันทีเลยว่าดูก่อนน้องหญิงดูก่อนมาลิก้าพปโดนโยมธรรมดาเนี่ยสัพผาสังขาร ท, ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยรวนไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้แบบเบียดเบียนบีบคั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยแบบนี้แหละอย่าได้ทุกข์ใจเลยเธอก็กล่าวถวายรายงานเลยค่าแต่ท่านภาษาลิบุตรผู้เจริญค้าเด็ก่าเดท่านอาจารย์ไป ยอมเป็นผู้วางตนเองได้เหมาะสมตั้งมั่นในอุเบกขาพรหมิหารปฏิบัติตนเองตามหลักสังหาวัตถุวางตนเป็นสมาณะตตาวางถูกต้องตามสถานการณ์บอกว่าตอนนี้สามีและลูกตายในสนามรบจิตใจของดิฉันเนี่ยยังไม่สะทกสถานยังไม่หวั่นไหวเลย ตั้งมัน่นเนะพิจารณาตามพระธรรมคําสอนของพระสัมมีคําสอนของพระเจ้ามากระซิบตลอดแล้วก็วางท่าทีทางใจได้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นแบบนี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยจริงๆฉะนั้นไม่เคยทํากุศลจิตให้เสียเลยไม่เคยวางท่าทีทางใจให้เสียเลยตั้งมั่นที่ว่าตอนนี้น้อมถวายทานแด่๋สงฆ์มีพระเจ้าเป็นประมุขเป็นต้นภาษาลิบบกษาาัตริย์ทุกเป็นต้นสงฆ์กษาทุกนี่ไง แล้วหลังจากให้ทานเลยปฏิบัติการฟังธรรมเสร็จแล้วเึอก็กลับพร้อมด้วยประชุมเลยเนะประชุมใครประชุมกลุ่มกลุ่มลูกสะภ้ยทั้งหมดพอประชุมเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าต้องไม่โกรธพระราชานะต้องเข้าใจความจริงของชีวิตว่าข่าไปยืนอยู่บนโน้นแล้วถ้าเกิดหวาดระแวงหรือเกิด นั่นคือเกิดวาดระแวงใดๆขึ้นมาแล้วก็ต้องจัดการเพื่อจะทำให้บ้านเมืองสงบอะไรท่้งๆเนี่ยต้องเข้าใจในะคนที่อยู่สูงๆก็ดีคนที่อยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ดีเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็วางท่าทีทางใจให้ถูกเราต้องไม่โกรธพระราชาต้องไม่โกรธผู้นาเราต้องวางใจเป็นกลางว่าจริงๆแล้ววาระของชีวิตเนี่ย มาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมีการพัดภาคเรามีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพัดภาคแก่ของรักขอ ง, ของชอบแสดงทำเลยนั้นเนี่ยบอกเหตุบอกผลว่าสามีคิดถูกแล้วพ่อคิดถูกแล้วลูกๆก็คิดถูกแล้ว ที่ไม่กระด came, ้างกระเดื่องขึ้นมาถ้างั้นมันไม่ได้ตายคนเดียวไม่ได้ตายเฉพาะเรานะแล้วบ้านเมืองก็จะเดือดร้อนและวสำรวสายคนอื่นก็ไม่รู้เหตุไม่รู้อะไรต่างก็จะพลอยล้มหายตายจากกับพวกเราไปด้วยเป็นต้นเห็นไหมพอพูดอย่างนี้พอบอกอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บขึ้นมากลุ่มภรรยกลุ่มกลุ่มลูกสะพ้ายทั้งหลายก็ระงับความเศร้าโศกได้วางใจเป็นกลางได้ในครั้งนั้นน่ยพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลส่งสปายสายรับเข้ามาแอบฟัง ว่าจะมีปฏิกิริยาเคลื่อนไหวจากนางมาริกาพร้อมด้วยบริวารไหมพอสไปด์เข้าไปบอกงั้นโอ้เสียใจทันทีเรียกนางมาริกาพร้อมด้วยลูกสไปด์เข้าเฝ้าแล้วก็กล่าวขอโทษกล่าวขอโทษว่าโอ้โหเนี่ยทําอะไรไปแล้วผิดพลาดอย่างมากก็เลยบอกว่างั้นเอาหลานหลานของพันธุ์ละเสนาวดีเข้ามาจะยกย่องให้เป็นใหญ่ในเมืองนี้ ให้เป็นเป็นเป็นใหญ่เป็นที่ปรึกษาพรยวดินบอกันเถอะแล้วถามว่าแล้วเธออยากได้อะไรจะจะยกย่องให้จะจะจะจะจะจัดการให้นางก็บอกว่าดิฉันพร้อมด้วยสะพายขอกลับประเทศของตนเองก็คือขอกลับกุสินาลาทำไมต้องกลับนางต้องการกลับไปอยู่อย่างสงบ ถ้าขืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นเหตุแห่งการหวาดระแวงเห็นไหมวิธีคิดพร้อมไปอยู่อย่างสงบแล้วก็ไปประพฤติธรรมเพราะจริงๆเข้าใจความจริงขอ ง, งชีวิตว่าตนเองหมดบทบาทก็วางท่าทีทางใจได้ไม่ทยานอยากไอ้ตรงนี้สําคัญมากนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยอดเสื่อมยอดปีนทาสารเสริญสุขทุกเนี่ยวางท่าทีทางใจได้ชัดสําคัญมากถ้าคนประพฤติธรรมวางท่าทีทางใจไม่ได้เนี่ย อยู่ในสถานการณ์ที่จะใช้เมตตาก็ใช้เมตาเมตาเป็นอยู่ในสถานการณ์จะใช้กรุณาก็ใช้เป็นอยู่ในสถานการณ์ที่ใช้มุทิตาหรือเบขาก็ใช้เป็นเนี่ยอันนี้สําคัญมากมากว่าหลักการประพฤติปฏิบัติธรรมะจริงๆมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าโอ้โหตนวเองอะลงไม่ได้แต่ตนเองไปอยู่ในสถานะไหนแล้วก็ใครบ้านเมืองคร อ, อ, อบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดจะเดือดร้อนไม่สนใจเลยเนี่ยนี่ เอาแต่ความอยากความต้องการตัวเองเป็นตัวตั้งเอาทิฏฐิมานะตัวเองเป็นตัวตั้งไม่เดินพรมวิหารธรรมไม่รู้สถานการณ์ไม่ฉลาดในสถานการณ์เรียบร้อยนี่จริงๆก็แตกรล้วแตกแยกอย่างที่หลายๆที่หลายๆถิ่นได้เห็นเนี่ยตัวนี้สําคัญมากนะเนี่ยนางมาลิกาเป็นแบบอย่างเป็นภรรยาที่ดีมากเป็นภรรยาที่ดีมากเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ถ้าเป็นภรรยานะก็เอาแบบฉบับของคุณเธอเนี่ยเนยีเอาของนางวิสาขาก็ได้นางมาริกาก็ได้หรือจะนางอุตรามันถ้ามาตาอีกเยอะมากนะที่ ท, ที่เธอเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็มั่นคงตั้งมั่นในธรรมะเป็นคนชาญฉลาดในการปฏิบัติได้อย่างดีมากเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือไม่นอกใจรักษาทรัพย์แล้วก็ขยัน ในกิจการทั้งหลายชาญฉลาดในการปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหลายเอาเล่าต่อนางมาริกาเนี่ยอยู่ต่อมาเมื่อเธอกลับมาที่กุสินาราเราย้อนในสมัยที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยไปปรินิพานที่กุสินาราเนีเมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าปรินิพานแล้วเนี่ยพอครบเจวันหลังจากฉลองพระหลังจากบูชาพระศพ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกลุ่มมันและป่าโม่พร้อมด้วยประชาชนทั้งหลายก็พากันยกพบศพพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยรอบเมืองแล้วก็มาที่มกุฏพันธะเจดีย์เพื่อจะมาเผาณนะที่ทําชี้เชิงตะกรที่มกุฏพันธะเจดีย์ผ่านบ้านของเธอคือนางมริกาเนี่ยนางมาริกาเนี่ยศรัทธาในพร ะ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเธอก็นําเครื่องมหารดาประสาท ในสมัยครั้งพุทธกาลมีเครื่องมหาลดาปราสาทยอยู่สมท่านนะหนึ่งนางวิสาขาซึ่งขายเครื่องมหาลดามหาปราสาทไม่มีคนซื้อตัวเองก็ซื้อมาเองแล้วก็ก้าวโกรธเนี่ยราคานี้ก็เอาไปสร้างวัดบุพารามถวายในสงมีพระญาเป็นประมุกมสามารถพระจูพระได้ตั้งพันรูปนี่นท่านหนึ่งท่านหนึ่งก็คือ น, นางมาริกานี่แหละนางมาริกานี่แหละก็มีเครื่องมหาลดาปราสาทเพราะเป็นระดับระดับ เศรษฐีเป็นภรรยาของมหาหมาดใหญ่เธอเอาเครื่องประดับมาเนี่ยและอีกท่านหนึ่งก็เป็นลูกศิลกเป็นลูกของสาวของเศรษฐีลูกสาวของเศรษฐีเนี่ยลูกสาวเศรษฐีอีกเมืองจำชื่อไม่ได้ลืมซะแล้วทีนี้อะเธอก็ใช้เครื่องมหารดาประสาทนี่แหละบอกให้กลุ่มมาลปามวดวางพระบรมศพของพระสัมาสมุมาลง แล้วเธอก็ใช้เครื่องมาแล้วคุมคุมวรากายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคุมก็คือถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองเพราะถวายคุมพระบรมศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ย พระฉับ พ, พันก็เปล่งปังขึ้นมาประดุดดังว่าจะรู้นะอนุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้ารู้แล้วว่าท่านบุูเนี้ยกล้าสละวัตถุทานขนาดเนี้ยถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยด้านจิตใจของเธอยิ่งใหญ่ไหมด้านสามารถทําให้ฟันโกศลสงบแล้วก็ ชาญฉลาดในการปฏิบัติร่วมกันกับสามีพร้อมด้วยลูกๆลูกสบายแล้วบั้นปลายชีวิตกล้าสลัดทรัพย์อย่างมโหลานมหาศาลถวายพระศพแล้วก็คุมพระศพแล้วเครื่องมหาราดาราศาทตที่แหลมมาที่เชิงตะกรที่มากฏพันธนะเจดีย์ต่อมาวันที่เผาพระศพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เผาทั้งหมดเลยยอมอาจจะนึกโอ้โหเสียดายทำไมเอาเพชรออกนินจินดาเครื่องประดับราคาแพงขนาดนี้ไปเผา เจตนาคือจิตที่คิดจะบูชาเนี่ยสำเร็จผลไปแล้วเหมือน เ, เอาดอกไม้ไปบูชาเอาผ้าไปบูชาเอาดอกไม้ของหอมไปบูชาเนี่ยมันก็ผุพังไปการตามเวลาเป็นเรื่องปกติเหมือนเราสร้างวิหารบูชาสร้างกุฏิบูชาพระพุทธเจ้าไปตร์เหลาเนี่ยเสยนาสนะที่อยู่อาศัยเครื่องหอมยามันก็ผุพังไปตามการเวลานี่เป็นเรื่องปกติของสัพพสังขารทั้งหลาย แต่เจตนาก็จิตคิดจะบูชาให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้สละขาดให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเนี่ยสำเธ็จผลไปแล้วกุศลนั่นสำเร็จผลไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นหลักการตรงนี้เราท่านทั้งหลายถ้าเรารู้ว่าการปฏิบัติที่จะเป็นสามีเป็นภรรยาที่พึงปฏิบัติต่อกันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ย เราไม่ได้เรียนรู้หลักการคลองเรือนเลยนะญาติโยมทั้งหลายที่ครองเรือนมาแล้วจนอายุล่วงการผ่านวบางคนก็จนถึงมาปัจจุบันเนี้โอ้โบางคนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีบางคนก็ตายจากกันก็มีบางคนก็แยกทางกันบางคนก็ไม่แยกทางกันบางคนก็อยู่กันด้วยความขัดเคืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปปรับให้ทันเอาไปปรับให้ทันสถานการณ์เอาไปใช้โดยเฉพาะคือปฏิบัติให้ถูกศึกษาคําสอนพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติให้เป็น ว่าถ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมากจริงๆจะต้องสามารถเดินพรมหมจรรย์ธรรมได้จริงและเดินได้อย่างถูกต้องดีงามงดงามด้วยแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ได้จริงนี่เสียหายเลยแต่เนี้ยนะีอย่างนี้เป็นต้นอะไะในข้อของสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาปฏิบาพึงพึงปฏิบัติต่อสามีเนี่ยได้มาสามคู่แล้วนะเอาต่อไปอีกน่าจะทันนะจะเอาเร็วขึ้นในฐานะที่เป็นมิตร สหายกับมิตรที่พึงปฏิบัติต่อมิตรอันนี้เพื่อนต่อเพื่อนมิตรสหายพึงบำรุงกับมิตรสหายแล้วก็มิตรเมื่อถูกมิตรสหายปฏิบัติตัวนี้ก็ปฏิบัติอนุเคราะห์อตอบอย่างไรเนี่ยเห็นไหมการจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องมีพรหมวิหารมีสังฆวัตถุค่อนข้างชัดและต้องรู้คําสอนต้องประพฤติในศีลและจะเชื่อมยึดโยงกันเล้ ในข้อแรกก็คืออย่างว่าเพื่อแผ่แบ่งปันหรือเพื่อแผ่แบ่งปันก็คือปฏิบัติต่อมิตรพูดจะมีน้ําใจเพื่อแผ่แบ่งปันก็คือการให้อะวาระไหนควรให้ด้วยเมตตาวาละไหนควรให้ด้วยกรุณาวาละไหนควรเพื่อแผ่แบ่งปันด้วยด้วยการประพฤติประโยชน์ด้วยมุทิตานี่ต้องชัดด้วยนะตรงเนี้ย ให้โดยเมตตาให้โดยกรุณาให้โดยมุทิตาแล้วก็พูดจามีน้ําใจพูดจามีน้ําใจก็ยามเพื่อนปกติพูดด้วยเมตตายามเพื่อนประสบปัญหาชีวิตก็พูดด้วยกรุณาปลอบโยนให้ข้อมูลยามเพื่อนประสบได้ดีมีสุขพูดด้วยมุทิตาพอยินดีเกื้อนหนุนสนับสนุนข้อ3ก็คือช่วยเกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลนี่คือการประพติประโยชน์ป ร, ยยประโยชน์กับเพื่อนด้วยเมตตากรุณาและมุทิตา แล้วก็ข้อที่สี่มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกอันนี้คือสมานัตตาเห็นหยงเนี่ยสมานัตตาก็คือว่าเอาตนเองเข้าไปเสมอเสมอในสุขเสมอในทุกร่วมสุขร่วมทุกมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมแก้ไขเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็คือไม่เลือกที่รักผักที่ชังแล้วก็ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันพูดจริงทําจริงและจริงใจ ต่อกันลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเพื่อนที่พึงปฏิบัติต่อเพื่อนทีนี้เพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเปรมิตรเจอเพื่อนกระทำตอบแล้วเนี่ยก็อนุขห์ตอบา่าเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกันเอาละเศรษเนี่ยถ้าเพื่อนประมาทช่วยไปรักษาป้องกันแล้วป้องกันยังไงเพื่อนประมาทปเพื่อนขาดสตินประมาท ขาดสติก็คืออาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งหลายเหล่านี้นะอาจจะมีอันตรายต่อชีวิตมีอันตรายต่อชื่อเสียงมีอันตรายต่อเกีดยรติยศอะไรต่างก็แล้วแต่เนี่ยก็ป้องกันต้องป้องกันเต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพโดยการปฏิบัติตอบเมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพสมบัติของเพื่อนเอาแล้วแต่เนี่ยขายกตัวอย่างเรื่องหนึ่งมียมคนหนึ่ง ที่เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะนะอันนี้เลาไม่ไม่ออกชื่อในยุคสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์ยุคฟองสบู่แตกลงยอมทันกันทั้งนั้นยุกนั้นโอ้โหบรรดาในในครั้งนั้นนะมันมันเป็นการแตกข้างบนนะนะระดับ ผูมีธุรกิจกิจการทั้งหลายเนี่ยระดับคนมีทรัพย์แต่ข้างล่างเนี่ยฐานรากเนี่ยไ ม, ไ, มไม่พังฐานรากระดับคนประมาณ 80% ซของประเทศหรือประมาณ 70% ของประเทศไม่พังไม่ล่มสลายพวกทํานาทําไร่พวกภาคเกษตรกรรมทั้งหลายอะไรนี้เป็นต้นแต่ถึงภาคของการค้าขายระดับธรรมดาทั้งหลายไม่ล่มแต่ระดับบนนักธุรกิจระดับบนเนี่ยล่มสลายปีนั้น น, นี่ก็เหมือนการมีนะักธุรกิจท่าน ตนเองก็ตนเองก็สุดเพื่อนก็สุดนี่ตนเองสุดก็จริงอยู่่สุดในยุคนั้นจริงๆหลายต่อหลายครอบครัวนะบางคนถึงขนาดส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนี่ต้องให้ลูกรับจ้างล้างจานเลยหวังกันเถอะขนาดนั้นเลยตอนนั้นตอนนั้นสุดมากที่นี่มีครอบครัวหนึ่งก็คือว่าเนี่ยเพื่อนต่อเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็สุดด้วยแต่สุดโดนฟ้องร้องโดนอะไรเยะๆโดนยึดทัพ ที่นักไปก่า น, นั้นคือก็ป่วยเพื่อนก็ป่วยหนักด้วยแล้วจะถูกยึดบ้านดก็คนคนนี้ก็โทรไปไปขอเงินที่เราไว้ส่งลูกนะขอลูกว่าลูกให้ลูกหยุดเรียนยเอาเงินประมาณกี่ล้านก็นไม่รู้มาแล้วก็มาวิ่งเต้นผ่อนทั้งธนาคารเพื่อไม่ให้ยึดบ้านที่เพื่อนป่วยนัก แล้วก็หรือเอาแอร์เอาอะไรท้งหายในในห้องนอนตัวเองได้ไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปติดในห้องนอนของเพื่อนที่ป่วยนะ่ะกรู้สึกจะเป็นโรคมะเร็งไปเลยอยายสุดท้ายแล้วก็บอกเพื่อนว่าอย่า ก, กลัวพร้อมที่จะควนขวายช่วยเหลืองี้เป็นต้นเนี่ในข้อหลักว่าเมื่อช่วยรักษาทรัพย์ช่วยรักษาแล้วก็บอกว่ามี ลูกมีหลานทั้งหลายที่ดูไม่เป็นรอยะ ก, กังวลพร้อมที่รับดูแลให้ดูเนี่ยในกรณีอย่างนี้ในคราวมีภัยพิบัติก็เป็นที่พึ่งได้ไม่ละทิ้งในายามทุกยากแล้วก็มีการนับถือตลอดถึงวงศาคณาญาติของมิตรเนี่ยหลักการที่มิตรที่อนุเคราะห์อตอบต่อมิตรที่เผื่อแผ่แบ่งปันผู้จามีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลมีตนร่วมสุขร่วมทุกข์ลกซื่อสัตย์จริงใจทั้งหลาย เวลาตอบถ้าเจอเพื่อนรักษณะ น, นี้ต้องต้องยึดโยงปฏิบัติต่อกันอย่างนี้พอยึดโยงอย่างนี้แล้วจะเป็นการเห็นไหมการเชื่อมประสานจะเกิดขึ้นทันทีการเชื่อมประสานจะเกิดเป็นเหมือนน้ำกับน้านมเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกั น, เ ป, น เ, กเป็นเอกภาพเป็นเอกภาพเป็นสา ม, มัคคีถ้าสภาพสังคมที่มีเพื่อนแล้วยึดโยงปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ได้ แล้วปฏิบัติธรรมะได้ถูกต้องถูกหลักการอย่างนี้แล้วปฏิบัติต่อกันได้ดีงามทั้งหลายเนี่ยสังคมมันน่าอยู่ทั้งคมมันเป็นปึกแผนมันเป็นการปฏิบัติธรรมะกันดีจริงๆแล้วธรรมะมาใช้ได้ที่สําคัญที่สุดก็คือธรรมะเอามาใช้ได้จริงๆเข้าในหลักที่บอกว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข่าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายเรือพึ่งพายเนี่ยนะทีนี้ เสือที่บอกว่าเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสืออย่างดินเย็นว่ยายหญ้ายางหญ้าบางเพราะดินดีดินดี<笑><笑>ใช่ไหมให้เที่ยวไอ้นี่เป็นคํากรนเก่าๆเสือมันจะอ้วนมันจะพีได้กระเพาะ อ, อะไรก็เพาะใสป่าป่ามันจะอยู่ได้อุดมสมดูลณได้ก็มีเสือมีเสือมีแต่ไมก่อนเ้ากลัวเสือรักษาป่าช้างรักษา ดินมันจะมีโอชะมีสารอาหารได้ก็อาศัยต้นไม้ใบยญาต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ก็ต้องอาศัยดินที่มันดีเห็นไหมมันเชื่อมประสานกันอย่างนี้ในหลักการเชื่อมประสานกันในลักษณะว่ามันเอื้ออาศัยซึ่งกันและกันมันมีปัจจัยอยู่ข้อหนึ่งของปัจจัยยี่สี่อัญญมัญญะปัจโยอัญญมัญญะปัจจัยซึ่งกันและกันแก่กันและกันมันเอื้อต่อกันและกัน แล้วก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนขาดกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้ฉะนั้นหลักการในการที่มิตรพึงปฏิบัติต่อมิตรเพื่อนพึงปฏิบัติต่อเพื่อนนี่สำคัญมากสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเราได้ถูกปฏิบัติเพื่อนปฏิบัติกับเราไงเราก็ตออนุคห์เนี่ยอนุคหอเผื่อแผ่แบ่งปันผู้จามีน้ำใจช่วยเหลือเผื่อแผ่เกื้อกูลกัน มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ซื่อสัตย์จริงใจอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเพื่อนประมาทก็รักษาเพื่อนป้องกันถ้าประมาทมีท ร, รัพย์ก็เมื่อประมาทในท ร, รัพย์ก็รักษาท ร, รัพย์เกิดพิงภัยพิบัติเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะเอาแล้วแต่นี้จากการที่ปฏิบัติต่อเพื่อนเนะี่ยถ้าเรามองขยายเพื่อนไปทั้งสังคมนะ เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเก็บเพื่อนตายเป็นมิตรแหละโอ้โหแต่เนี้ยระดับสังคมนะไม่ใช่เล็กๆแล้วเอาสังคมในประเทศไทยในวาระนี้แหละในวาระนี้แหละคนที่มีทรัพย์ระดับสูงคนที่มีทรัพย์ระดับกลางแล้วก็ระดับพอไปได้ตอนนี้ภาวะความยากจนค้นแค้นเต็มไปหมดแล้วในสภาพสังคมภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดภัยวิบากอีกมีโรคเบียดเบียนกันอยูมีปัญหาเยอะแยะหมดเนี่ยเอาลยสิเนะียถ้ารองมองกันเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่ทิ้งกันเห็นไหมจะเกิดการเผื่อแผ่แบ่งปันผู้จามีน้ําใจช่วยเหลือเกื้อกูลมีตนร่วมสุขร่วมทุกข์แล้วพู้จริงทําจริงต่อกันอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาละพอไปเจอต่างฝ่ายต่างเชื่อมโยงตัวสารกันอย่างนี้แล้วก็เอามองเห็นเป็นเพื่อนเอาเพื่อนประมาทก็เตือนกัน เดี๋ยวนี้เรามีสื่อเยอะแยะหมดมีสื่อที่จะเตือนกันนะถ้ารู้จะจะประมาทอาาวิธีการจะป้องกันเตือนกันยังไงไม่ใช่เอาข่าวเฟเกเขเรียกอะไรเฟกมิวเอาข่าวปลอมข่าวเล่นต่างมาออกมา ย, ยุ่งไปหมดตอนเนี้ยเ น, น, นี่ตรงเนี้ยไม่หลวงดีต่อกันถ้าเพื่อนประมาทจะช่วยรักษาทรัพย์ทอย่างไรเนาะจะไม่ให้ประเทศเกิดความเสียหายหเพื่อนบ้านเกิดความเสียหายตอนนี้มีภัยแล้ว มีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ใช่แค่ภัยจากไอแค่โควิด1 9อย่างเดียวมันมีภัยอีกมากมายฝุ่นใช่ไหมพี PM, ภัยจากอุบัติเทศภัยจากโรคร้ายภัยจากโอ้โหอีกมากมายทั้งหลายเหล่านี้จนผู้ร้ายเออชุกชุมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีภัยก็เป็นที่พึ่งแก่กันและกันได้เป็นหูเป็นตาไม่ละทิ้งกันยายามตกทุกลำบาก เอาละยามเนี้ยถ้าหากว่าสภาพสังคมนะสังคมเนะี่ยสังคมอที่จะไปร่วมกันได้มันต้องเชื่อมประสานกันนะแต่เราบอกว่าคนมีทรัพย์อยู่ได้คนจนแย่ไม่จริงถ้าหากว่าสภาพสังคมระดับล่างพังระดับบนก็อยู่ยากระดับบนพังระดับล่างก็อยู่ยากเห้นถ้าเรามองแต่ถ้าลองอยู่กันอย่างเอารัดเอาเปรียบ ไม่มีเมตตากรุณาเมตตาเวขาไม่มีสังขาวัตถุไม่ประพฤติทําร่วมกันเรียบร้อยก็มีแต่ว่ามันจะมีว่ามันเสมอแบบเสมอแบบไม่สมานเสมอแบบไม่สมานก็คือยังไงบอกว่าต้องเท่ากันพอเท่ากันก็คือมันแข่งกันอะไรแต่เนี้ยคนมีบ้านเราก็อยากจะมีบ้านคนนั้นมีทรัพ เท่าไร่ยังมีห้าสิบเราก็อยากจะมีห้าสิบมีร้อยก็มีร้อยถ้าไปอย่างนี้แปลว่ า, วามันไม่ใช่เสมอแบบสมานมันเป็นเสมอแบบแข่งขันกันแตกแยกกันแล้วก็ชิงดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยมันเป็นเสมออย่างปัจจุบันเนี่ยนะก้าวหนาก้ก็ไม่ไว้ใจกันแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันแต่นี้มัน ก, ก็กลายเป็นว่าไปขับเน้นที่ตัววัตถุไม่ได้ขับเน้นตัวคุณธรรมว่า เมตตากรุณามาาุทิตาอุเบกขาที่ออกมาสู่ภาคปฏิบัติการเป็นการให้ด้วยเมตตาให้ด้วยกรุณาให้ด้วยมุทิตาพูดด้วยเมตตากรุณามุทิตาทําประโยชน์ด้วยเมตตากรุณามุทิตาก้าอีกอย่างเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงสู่อุเบกขาที่ไปผักออกให้เป็นสมานนตตาว่าวาระไหนวางตนอย่างไรเป็นตน้นเป็นกชานฉลาดในการที่จะเกื้อนหนุนกันเชื่อมประสานกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นว่าวันนี้พูดจะมากมายเลยมีใครถามปัญหาไหมถ้ามีจะได้ตอบเหลือเวลาห้านาที อ, อ๋อมีอะไรเนอะอ๋อยังไม่ต้องระตอบก็ได้ อ๋อปัญหาอยู่ในประเด็นนี้นิดหนึ่งนะแต่ปัญหาอื่นตอบเดี๋ยวยาวเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวถามได้นะ่มาจบประเด็ดนตรงนี้ปัญหานะันเดี๋ยวมาตอบกหนแล้วทุกปัญหาที่โยมถามมาจะให้พระท่านเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็จะตอบให้ทุกข้อเลยนะโยมนย <c oughs> ถามปัญหาเรื่องหลักการเรื่องธรรมะ เ, เชิงพื้นฐานธรรมะระดับภาคด้านจิตใจระดับ ปัญญาทั้งหลายเลยนะก็จะอยากให้พวกเราทั้งหลายได้มีการสอบถามแล้วก็ปรารถนาอย่างนีนนน้ตรงนี้อยากให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าธรรมะเราจะเอามาประพฤติปฏิบัติให้ได้จริงได้อย่างไรอันนี้สำคัญที่สุดถ้าเราสามารถเอามาประพฤติปฏิบัติกันได้จริงโอ้มีความสุขมากให้สังเกตอย่างนี้นะว่าคนที่เดินพรมวิหารได้เนี่ย เ, ออเดินก็เป็นสุขเนะ เดินก right. ็ม er, okay. ีความสุขยืนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขอยู่กับพ่อแม่ผู้ตายาญาติาิตยก็มีความสุขเพราะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องและเหมาะสมแล้วก็เอื้อกูลต่อกันและกันพ่อแม่อยู่กับลูกพ่อปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกถูกต้องลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ได้ถูกต้องปฏิบัติต่อการเอื้อต่อกันได้ถูกต้องครูอาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์ศิษย์ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ภรรยาปฏิบัติต่อสามีสามีปฏิบัติต่อภรรยา เพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อกันได้อย่างถูกต้องดีงามเนี่ยวันนี้ที่พยายามสื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจมันจะได้เกิดความปฏิบัติกันได้อย่างงดงามซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเหลือแต่ว่าเจ้าหนายลูกน้องแล้วก็ผสงกับบาสุกบาสิกาที่พึงปฏิบัติต่อกันอย่างไรซึ่งในรายละเอียดก็จะมีเยอะ อ, อมีถามไหมไม่มีใช่ไม ฉะนั้นก็จะได้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องดีงามตรงนี้ก็ต้องการอยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้วางท่าทีทางใจกันที่ยังถูกต้องและปฏิบัติต่อการได้งดงามเมื่อเราสามารถทำคุณธรรมเหล่านี้มาประชุมไว้ในใจได้โดยเฉพาะธรรมะระดับพรหมวิหารมาประชุมในใจก็เป็นหลักของสมาธิด้วยเป็นจิตสิกขาด้วย พักออกมาเป็นระดับศีลแล้วก็เมื่อสามารถปฏิบัติยึดโยงในด้านของสังขาวัตถุปฏิบัติมาเป็นศีลศีลก็มาเป็นฐานของสมาธิพอสมาธิตั้งมัน่นสมาธิตั้งมั่นด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาหรือด้วยเวขามีความตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวจากการที่ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องเนี่ยจนสามารถข่มนิวรณธรรมได้นะ กามฉันท่ความติดใจใยกระสันพยาบาทความเครียดความโกรธทีนมิท่าหดขู่ท่อถอยอุทจักกุกจาพุ่งสร้างลำคาญใจวิจิกขาความลังเลสงสัยพอไอตัวนิวรธรรมเหล่านี้หลุดไปจากใจเพราะจิตตั้งมั่นด้วยอุปจาระเพราะตัวพรหมวิหารเนี่ยมารักษาใจไว้แล้วก็ตัวถ้ายิ่งพัฒนาจากอุปจาระ้าถึงอัปปนาจากการเดินพรมวิหารได้ในอธิจิตตะศิขาจริงๆโอ้ตัวเนี่ย จะเป็นอุปการะอย่างมากพอมีระดับชานะปัญญาได้แล้วเห็นไหมถ้าเราสังเกต ด, ดูนะว่าถ้าเราสามารถผักจากพระวิหารออกสู่การกระทําเป็นสังฆวัตถุเป็นตัวกุศลศีลเป็นต้นออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาได้ถูกต้องปัญญาที่มาคอยกํากับใจแล้วก็กํากับพฤติกรรมที่ออกมาทางกายทางวาจาและอาชีพให้ถูกต้องดีงาม ปัญญาอย่างนั้นเขาเรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาไปเข้าใจในเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องกรรมและผลเ่องกรรมรู้ว่านี่เป็นบาปนี้ว่าเป็นบุญว่าเป็นกุศลอกุศลเนี่ยชัดเลยแต่เนี้ยเนี่ยปัญญาระดับกรรมทีนี้ถ้าพัฒนากลับมาต่อจากกุศลฤาษีที่แข็งแรงมากขึ้นสังหวัตถุที่ประพฤติปฏิบัติแข็งแรงมากขึ้นและเป็นฐานของสภาพจิตใจคือเมตตากรุณาเมตตาเวขาเนี่ยมั่นคงมากขึ้น ไม่ใช่อยู่แค่คณิกาสมาธิอุจาระแล้วพัฒนาไปจนถึงเอานิวรณ์ออกได้จนเป็นอุปจาระก็ข่มนิวรณ์ได้เป็นอัปปนาพอเป็นอัปปนาแปลว่าปัญญาที่มาจัดการทั้งมาชำระพฤติกรรมให้แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นมาชำระจิตใจจากจิตที่เป็นคณิกาให้เข้าถึงอุปจาระข่มนิวรณ์ได้เมื่อข่มนิวรณ์ได้ไม่ใช่อยู่แค่ อุปจาระที่เฉียดหรือใกล้ต่ออัปนาหรือฌานแต่สามารถทําฌานในจิตให้เกิดได้เป็นเมตตาฌานกรุณาณฌานมุทิตาฌานและขึงถึงอุเบกขาฌานนิวรธรรมสงบได้นั่นก็เรียกเป็นฌานนสัมมาทิฐิปัญญาระดับที่จะเอื้อต่อการทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นพอได้ระดับนี้แล้วอะไรต่อต่อไปนะ่ะ เตรียมยิ้มแย้มเฉื่อยใจศึกษาคําสอนฟังคําสอนพระเจา้าเพื่อจะพัฒนาสู่วิปัสนาสมาธิฏฐิไอตัวเนี้ยสาคัญที่สุดงั้นตัววิปัสนาสมาทิฏฐิก็คือปัญญาที่เข้าไปรู้กระแสชีวิตนะีกระแสชีวิตว่าแท้ที่จริงมันก็คือรู ป, ปรธรรมและนามธรรมรูปเวทน า, ส, าสัญญาสังขารมีอะไรกระแสชีวิตในส่วนของรูปธรรมแค่นี้กระแสชีวิตของส่วนนามธรรมความรู้สึกเรียกเวทนาความจําเรียกว่าสัญญาปุงแต่งที่เป็นบุญบาปเรียกว่าสังขาระขัน การรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกที่เป็นประธานของนามประธาทั้งหลายเรียกว่าวิญญาณรู้และเข้าใจกระแสชีวิตเรียกว่าขันห้าตามความเป็นจริงได้เมื่อไหร่ปัญญาระดับวิปัสนาที่เป็นทิฏฐิวิสุทธิ์เกิดขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็พัฒนาที่จะยกขึ้นสู่เหตุแ ล, ผ ล, และผลแล้วก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นี้ปัญญาที่เข้าไปรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาก็จะตามมาตามลําดับเห็นไหมว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันต้องเป็นการปฏิบัติธรรมได้เป็นเนื้อเป็นตัวได้ระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาระดับปัญญาระดับศีลเป็นยังไงปัญญาระดับสมาธิเป็นไงปัญญาระดับปัญญาระดับเห็นรูปนามตามความเป็นจริงเป็นต้นเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงยังเนี้ยเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนเป็นการฝึกเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนนี่คือต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจให้ท่องแท้ว่า ก็จะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องเอาแล้ววันนี้ใช้เวลามาก็ชั่วโมงครึ่งเนาะขอโมทนากับญาโยมทุกท่านที่อุตสาหะในการตั้งใจอยากจะฟังข้อมูลอย่างถ่องแท้แล้วเอาธรรมะไปพื้นปฏิบัติกันได้อย่างแท้จริงก็ขออนุภาพเป็นคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระรยสงฆ์ อ, อ, อานวยเวพรแล้วก็ ให้ญาติโยมญาติมิตรทั้งหลายเป็นผู้มั่นคงในพระรตนาไตาพระรัตนาไตามั่นคงในกระแสชีวิตจนสามารถประพฤติ ท, ทำตามสมควรแก่ทำได้จริงประพฤติทธรมน้อยค่อยตามธรรมะใหญ่เลื่อนตั้งแต่สารณากรมจนถึงนู้นและสูงสุดคืออนุปาธาปรินิญพานขอให้ดำเนินชีวิตไปตามศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาประชุมในอริยมรรคอริยผลข้าถึงอนุปาธาปริญพานคือการสิ้นจักกิเลส และกองทุกโดยการทุกท่านทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุาขอเราทั้นทั้งหลายกราบบูชาพาระพรัตานาตรายพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม ธรรมงนัมสามีส in ุปฏ ouais. ิป <pasa> ันโนภะคะวะโตสาวกสรงโคสั้งขังนามีก็เรากราบพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกันกราบกรากราบ